สบานีกาบุญกาบุญกาบุญกาบุญวิจิงกาลาเกจันติจันตนาณิกาบิสกาอานิกาซาติันารันาวันิักากากเวันตติปุุ ก้าวการก้าดีโชคดีผู an an and oh ้น oh ักเกี่ยห์นักก้าเหตีตบบาทีบาตูก้าเบิกก้าหักคู่ตาวิถึงขั้นวิถึงขารักกันสิจันตนาณังเขียวมิจก้าอาณิก้าสาธิตันดารันตันวิศาอาณิพิทันบาการังกวิทันตอทุกข้สาิัน ก้าวไกลก้าดิถอยพูนักแห่งนักก้าเฮสีตบ้าดีปัสูก้าเบกกาก้าังวิจิตรตังวิจตรขารากตังสัยันตานันท์ยามิจักาอิทีมาดมิดลจ้หอดีหิมาาดาอุปิต ยดีจาวิซาพิเศษยาสิงขาราสิงขาราพิเศษยาเวียนนาเวียนนาพิเศษยานามาลูกานามาลูกาพิเศษยาตาลายรนาตาลายรนาพิเศษยาพาตพาตพิเศษยาวินาวินาพิเศยาดนานาพิเศยาอุปการนา อุบานาภิเสยาบวบวะภิเสยาดัตติดัตติภิเสยาดรัมเรณทกัปปิเทวะทุกขโทมนาทุกขายาทัตถโลวุติอิวามิจตตาคิวลาตาทุกขะกันดาตาทุรีโยโหติเดดาวิปปุบวุติดมมาตาปิโนสยะโทกิมลัสตา ฉะดาเก่งข้าวเปยันติสัมปายตัวปะฏานิตาเหจูจมังอิมัตเมย์อัตติจานาหิตอิมัตานิโรดาจานิโรจติญาติตาเวสาณิโรดาถิ่ขารานิโรโดถิ่ขารานิโรดาวิญญาณนิโรโด วิญญาณนิโรดานามารุบานิโรโดนามารุบานิโรดาตาลายเอระนิโรโดตาลายเอระนิโรดาปะตานิโรโดปะตานิโรดาวิรณะนิโรโดวิรณะนิโรดาตานานิโรโดตานานิโรดาอุบาดานนิโรโ ูปาดานาเนียดะบวานียอดะบวานียอดะสัตตินียอดะส r ตตินียอดะตระมณ์นันโตกับิจีวาเจ้ากัมณัตุกายนโันติิวามิจตตะกิวลาตันุกัคขันตานียอดโหติ ด่าวิปาทุปมงคลดิฎมาตาปิโนทายทกเมนะตาทัฏฐากิงขาวเปยันติตาบายทกเปยันิเปยันนาอวีอิิอิมาเมิหอติอมาราิเปิอมาเมยิานหอติ อิมาตานิโรดาอิจันเนโรสะติยติจาวิสาบิเศยาสิงคาลาสิงคาลาบิเศยาวิญญาณวิญญาณบิเศญานามารุกานามารุตาบิเศยาตาลายรนตาลายรนาบิเศยาพาตอพาตาบิเศยาวิรนาวิรนาบิเศญาตนาตนาบิเศยาอุปาดาน ผู้ป่าดานาพิเศษยาบัวบัวพิเศษยาสัตว์ที่สัตว์พิเศษยาสราเมณนั้นต้องการพระเจ้าดุข้าดมันนั้นต้องพยายามทั้งสองคนที่อิวามีชั้นที่วัลลัสาดุขะกันแะทัศนูเรียของที่วิจัยทวีวัติท่วิรากานิโรจน์จนขารนิโรธ Tingara n i r o d a vinaya nirodo, vinaya n i r o d a namaru pa nirodo, namaru pa nirodo, dala yena nirodo, dala yena nirodo, p a d a nirodo, p a d a nirodo, v i n a a n i r o d v i a n i r o d ขอชื่นทุกท่านด้วยความด้วยความนอบนอ้อมต่อพระผู้มีพระพักเจ้าด้วยกังกล่าวนามัสสะพร้อมคำสามครั้งนามัสสะพะกาวะโตอาระหะโตสมมา s a m b u d d a s a Namo t a s a Bhagavato Arahato, Samma S. ทวัยความเคาเรพพระธีระซาดีเพื่อนสหธรรมิกและขอเจริญพรยั์โยมสาธุชนทุกท่านขอโอกาสพระธีระกล่าวธรรมทีสนาเรื่องเพื่อบุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้า ตอไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อถวายบูชาอย่างยิ่งเดชองสมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุดมบุญญาเดชเดชติดันงโตโยธรรมทยาทา ธรรมทายาทโตธรรมเทียนโอวัตรนายาสานิบุตรนิบานะทายาทโลกาตรานันมิโลกาตรโนโลกาตุมาอิโกะญาติสุพเชตมุดอโยนาโกบุตานา伽มิโรยดิอาศินียตุทัตจมสวาปิยดิ Who does this alien grow old into twenty years old movie play? Oh, I ask just how t h e do, but we do not o to ten. Let t h job i a simple song. t h n to grow up b e n c h i m i p y ทำไมทายาสจูไทตาดูโบโบลูรูโกตูไม่ยืนยันทีจะซื้อเชลกอต่ถ้าคุณยังไม่กิเลยท้าปุกคดีนี้เราไม่พิเศษทำไมทายาสจูไทตาดูโบโบลูรโกตูไม่ยืนกิเลยาปุยนีจะบาซงาลวตั วังกรรเชงโกกูตัดทุกชาติครอานยากบีบพี่ตายเองเรนายสักครทัดจูจูไต้โรบุาวัมเกัทุาาานจงาละกันบุกิเลรนนนสัญตรนงงดมุี ในบ้านทายาสักหรอทัดด้วยเนื้อหรอกผู้ขัดใจเงินยาบ้านจีนจงอัลกามถ้ามันนิสัยลีนั่นดามสักกูที่ได้ดีกรุณาสิทามีตาพีโฮจารอบูเขาับเีโลกัตรเรนนโลกตกสายตสดอมุ ท่านหน้ากันบูดานหน้ากามีรอยยัดยัดสิ่งเดียวที่ทาทุ่มเนี่ยาบกน้มีนมามีกูน้อนั่งงตรงพียพียงแม่งกูโชยกันตเนนูนล้ส่งมวยชิคกูมายายา After listening yesterday, Tama talk, some they said, o oh, r very much too difficult. Is it true? Do you agree with it? e e r e that, Pra. อาจารย์เรวอตาได้แสดงพระธรรมเทศนาแล้วผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็ได้กล่าวว่ามากจังเลยค่ะแล้วก็ยากมากด้วยแล้วพระอาจารย์เรวอตาได้ถามท่านในขณะนี้ว่าท่านเห็นด้วยหรือเปล่าคะเห็นด้วย do you think it is too much no, no. Actually, if we can develop concentration, as the Buddha said, the one who is concentrated will know and see things as they really are. By the w a m e o n e c a e v e o p c e n t o as e a s a i t one w c o n c e n a w i e h a a ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจมเจริญสมาธิภิกษุผู้มีจิตตั้งมันแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง Yes it is true that the dhama m that penetrated by the Buddha it is deep and profound.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 วิธีการที่ปฏิบัติอย่างไรจะบรรลุพระนิพพานโดยตรงไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาที่นั่นที่นีนแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> ในประเทภพม่มีพระทีระหลายๆรู้ที่สามารถศึกษา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 พระคพระในใจตามคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่พอใจในที่สุดเขาก็ลึกทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าป่าแล้วก็อ่านหนังสือทั้งหมดเลยบาลีอัถากาดาทีกเขาเขาเเขาเขาเคยศึกษาเรียนเล็กศึกษาบาลีมาเป็นหลายๆหลายๆปี ตั้งแต่เขาเป็นเดึกๆแล้วก็เขาเข้าปา่าเวลาเขาได้พรรษาสิบก็หลายปีมาแล้วเ่เขาไม่ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อจะบรรลุนิพพา น, พนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะศึกษาดยเองอ่านหนังสือทั้งหมดประมาณห้าปี แล้วก็ได้รู้ว่าวิสุริมักเป็นลักทางที่เนนใจเพื่อจะบรรลุนิพพานพระนิพพานก็เลยเขาก็สอนเอาก็ปฏิบัติตามเขาไม่สอนเขาเาตั้งใจเพื่อจะทำเพื่อดวเองแต่ก็ในที่สุดโยมและพระทั้งหลายที่สนใจเขาก็ขอ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 นำประมาทใหปัจจัยต่างๆเลยเพื่อจะเข้าใจและจะบรนลุพระนิพัานได้โดยเดี๋ยวนี้ท้ารู้แล้วแกแต่ว่าต้องพยายามปฏิบัติแค่นี้เองต้องเอว้ไปเว้นไปเว้นไปที่นี่ที่โน้นแล้วง่าไงหรือไงแล้ว อาจะมาไม่วันนั้นวันนี้มอนกันสันเวิร์กกิสันนักสันเวิร์กกิในใจเพราะว่าบางคนบอกวันนี้ก็บอกมากไม่มากแล้วไม่มากหล้วจริงๆแล้วถ้าเ ป, เปรียบเทียบกับเราก็การศึกษามาตั้งแต่เราเป็นเด็ก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 จตนาที่จะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ต้องจงลงทำลงมือทำลงมือทำถ้าไม่มีความปรานาีแกตัวเองอาตมาจะช่วยได้อย่างไร มามาเชเชแบง่งแบ่งหรือจะว่ายังไงเชต่ดามามาแบง่แบงปันธรรมะค่ะมาแบ่งแบ่งปันธรรมะมาแบ่งปังธรรมะอย่างที่อย่างเท้จริงแล้วถ้าไม่มีความปรารถนาดีเพื่อจะเพื่อจะดีเพื่อจะดู ประโยชน์ของตัวเองถ้าไม่มีความปรานาริดีอาตมาช่วยไม่ได้ใช่ไหมผลิตต้องพยายามทำไปอย่าคิดเลยว่ายากแตสามอิทธะสามาจริญสมาธิได้แล้วก็ทำต่อไปเรื่อๆอในที่สุดก็ได้อย่างที่เรากาศึกษามา ขั้นขัานปฐโมเวลานั้นเราก็อยากเป็นมัธยโยคิดไปคิดมาเป็นไปได้หรือเปล่าในที่สุดเราก็เป็นแล้วก็มองเห็นมองไปคนที่เข้ามาวิทยาลัยเราก็อยากเป็นและที่สุดเราก็เป็นไม่ใช่เลยไม่ต้องคิดที่สิ่งที่ยังทําไม่ได้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 Meditation as Vipassana y a n i k a Doitro. v n t i p a h a s <laughs> s a n a Before explaining about it, as I have told all of you, Buddha taught forty types of Samatha meditation. So, if we want to be Samatha j a n i k a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 อาจจะเริ่มจเจริญอย่างเช่นอนาปานาสติหรือว่าอารมณ์กรรมฐานอื่นๆเพื่อที่จะได้บรรลุอัปปนา่ะ After that he or she needs to practice four elements meditation if he wants to start vipassana at that time หลังจากนั้น uh, ท่านผู้ปฏิบัติธรรมนั้นถ้าถ้าเผื่อว่าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นไปปฏิบัติวิปัสสนาท่านก็จะต้องเริ่มการปฏิบัติวิปัสสนาจากรูปกรรมฐานค่ะ Let me ask you one question Are you now sure that the Buddha taught rupa meditation and nama meditation for พระอาจารย์ขอตั้งคำถามแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายแน่ใจแล้วป่าว่าพระปรมศาสดาได้ตรัสสอนรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานเป็นอารมณ์ของวิพัสนา This is the knowledge that you need to be with. This is the right knowledge. That you should with based it you need to practice meditation should based you you on need be นี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องซึ่งท่าน <laughs> based on it what you need to นี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานของการปฏิบัติวิปัสสนาค่ะ If you think by doing other things you can practice meditation, you can practice insight meditation, you cannot do the right d i e t s meditation, you can n o t do the right way. i n b g e o u c a u s e o way. f t h i b e s c a r e a u s e o n i f you t h i b e s c a r e a u s e o n i w a f you t h i n t t s o r e a s o n i w a f you n b t e t s o a m a y a n n i w a n k b t e t s o a m a t h a y a n n i k b e s a m a t h a y n i k a u n e e d to develop jhana concentration first and then you can continue nama meditation or r u b a meditation ครับถาท่านเป็นสมถะญา น, นิท่านสามารถที่จะ เ, เมื่อท่านจะต่อไปอยังวิปัสสนาท่านสามารถที่จะเลือกอารมณ์ของวิปัสสนาโดยอาจจะเริ่มจากนามกรรมฐานก่อนหรือว่า รูปกรรมฐานก่อนก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่เป็นสมถยานิก at in our center we taught meditators those who can attain who could attain absorption jhana concentration we taught all almost all the other samatha meditation t h e there there are some reason สำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพระอ้าวต่อยา เ, อเรามีเหตุผลที่จะสอนผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้บรรลุอนาปานาสติเรียบร้อยแล้วให้เจริญสมถกรรมฐานอื่นๆจนเกือบจะครบ40กรรมฐานเพราะว่าพระอาจารย์มีเหตุผลค่ะ One reason is as you all know our human mind very difficult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 อารมณ์เดียวนานๆดังนั้นดังพระเจาะจารย์จริงได้แนะนําให้เขาได้เปลี่ยนอารมณ์ของสมถะกรรมฐานถึงแม้ว่าคุณภาพอย่างเช่นอัปปนาจะมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันแต่ว่าพอเขาได้เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าน่าสนใจมากขึ้น and another thing their concentration become very strong deeper and stronger และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือการที่เขาได้เจริญสมถากรรมฐานอื่นๆอีกหลายๆกรรมฐานเป็นทําทําให้เกิดผลก็คือสมาธิของเขาแข็งกล้ามากขึ้น Another more important reason Along the rounds of rebirth, we don’t know Who has practiced, Who had practiced which meditation object? So if we know only how to teach a n a m a n a t meditation we cannot help all the good of all of you. so if we know all the 40 t y p e s of meditation objects to teach it is very great และเหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่สําคัญมากกว่าก็คือตลอดตลอดการเรียนในการเรียนว่า้ตายเกิดมาไม่ไม่ทราว่า เพราะว่าแต่ละท่านอาจจะสร้างสมบรารมใีในกรรมฐานที่แตกต่างกันมาดังนั้น ถ, ถ้าทางศูนย์พระอ้อสามารถสอนได้แต่เพียงอานาปานาสติอย่างเดียวก็ย่อมจะไม่เป็นประโยชน์แก่บางท่านดังนั้นเราจึงได้สอนสมถะกรรมฐานอื่นๆหลายๆหลายๆอย่างเกือบเกือบครบ 40, 40กรรมฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีบรารมีในสมถะกรรมฐานที่หลากหลายแตกต่างกันค่ะ Those who are going to be a teacher, those who are going to be teachers, should learn all. และสําหรับเหตุผลอีกประก t h หนึ่งก็คือส i าห t ับผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็น i ระกร be teachers, should learn all. And for the other reason, f o a i n to t h e r r e i a s o a n l f o s o a n o t h e r r e a s o u r n i f y o u r c o n c e n t r a t i o n i s d e e p e r a n d s t r o n g e r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 ที่จะช่วยให้ท่านได้เห็นพระธรรมตามความเป็นจริง If you study the teachings of the Buddha you will see in time of the Buddha if it is possible Buddha taught his disciples until the attainment of the a b h y a only after that he taught Vipassana because that concentration is very deep that's why The ana, very และในสมัยพุทธกาลท่านก็จะได้ท่านท่านก็คงจะทราบแล้วว่าพระบรมศาสดาได้ได้ตรัสสอนหลายๆท่านไม่ใช่เฉพาะสมถะอ่แค่สมาบัติ8เท่านั้นแต่ว่าได้สอนไปจนถึงอภินยาก็คือสมาบัติ8โดยอาการ14ซึ่ง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 Did we spend และท่าอาจารย์ได้ถามท่านเพื่อให้ท่านได้เตือนตนเองว่าในการที่ท่านได้สําเร็จการศึกษาทั้งโลกมาเนี่ยท่านใช้เวลากี่ปีคะตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมหาวิทยาลัยท่านใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมดกี่ปีคะ over twenty years yeah.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 อย่างไหนที่ลึกซึ้งกว่ากันคะพระพระบรูมสาสดา but have you ever think to spend as you have s p e n d for your worldly education ให้มีคัมภีร์ have you ever think Uh huh. Have you ever thought to huh? mm hmm. spend as you spend for the worldly education? ท่านท่านได้เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าท่านใช้เวลากี่ปีในการในการศึกษาทั้งโลกอะคะท่านได้เคยคิดบ้างหรือเปล่าคะไม่ใช่โยมทั้งหลายและพระบิณฑษทั้งหลาย เคยคิดหรืเปล่าวาเราจะจะจะใช้เวลาอย่างที่เราใช้ในการศึกษาทางโล ก, โลกเคยได้คิดเคเ ค, คิดไหมไม่เคย even for one year แ <laughs> ค่หนึ่งปีก็คิดว่ามาก ใช่ไหมสามารถบังลุดได้อย่างไรสามารถเข้าใจธรรมเทศธรรมะอย่างจริงๆได้อย่างไรเราก็ต้องเปลี่ยนทัศนะกติของใช่ไหมทัศนคติของแต่ละคนถ้าไม่เปลี่ยนเราไม่หมาหมาะสมที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งพระธรรม อย่ากรู้อยากเห็นแต่ไม่เปลี่ยนจิตของเราไม่เปลี่ยนทักศนคติของเราถ้าไม่เปลี่ยนเราเป็นบุคคลที่ไม่ควรไม่ควรเพื่อจะรู้ พทะธรรมยังแท้จริงเราต้องทําจงลงจงมือทํำลงมือทำก็เท่ครับลงมือทำ engage ลงมือทํำยังแท้จริง วันหนึ่งอาตมาคิดว่าอาตมาสามารถแสดงธรรมะที่สนานโดยโดยภาษาไทยอันใดแล้วเพราะด้ i ยเหตุ o ี้ผมจึง o ้ e m การเต l e นท o กท่านให้เปลี่ยนทั t นคต ALONG THE WAY ทางที่จะค้นหาธรรม ด้วยเหตุผลนี้พระบรมศาสดาพระพระอาจารย์เรวตาจึงปราสถนาที่จะเตือนท่านให้ท่านเปลี่ยนทัศนคติในการที่จะใช้เวลาเรียนเรียนรู้พระธรรม Actually I respect the foreigners those who are practicing at t a They spend a lot of time. They spend two years, three years, four years, five years. without going back home, it is very good. แล้วพระอาจารย์เรวตาได้ประทับใจประทับใจดีกว่านะคะประทับใจในชาวต่างชาติที่ปฏิบัติธรรมที่พระอต่ตยาโดยพวกเขาได้ทุ่มเทปฏิบัติเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ไม่ปรารถนาที่กลับประเทศอย่างเช่นใช้เวลาสองปีสามปีสี่ปีห้าปี เด็กยิ่้องกับคนไทยอาตมาเห็นคนเดียวเมช ย, <laughs> ยังไม่มีคนใดที่ไปทำอย่างนั้นๆอาตมาอยากจะมีปราอยากจะมี respect you use you use you use the word word respect นับถือประทับใจอาตมาอยากจะมีความประทับใจแก่คนไทยไหลายหลายคนอาตมาอยากจะเห็นไอทัอยยางจริงจัง <c oughs> มีหลายคนมาถามว่าจะไปได้อย่างไรคะมีหลายคนอยากไปคะ ไปได้อย่างง่ายเลถ้ามีปรารถนาที่ดีไปได้ไปได้ไไดในวัถฏะสงสารเราก็ทำหลายๆอ ย, ย่างมาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้เป็นสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วสิ่งที่เราอยากได้เป็นสิ่งที่เราเคยได้มาแล้ว สิ่งที่ลราวางเกี่ยวข้องกับทางโลกสิ่งเกี่ยวข้องกับทางโลกเป็นสิ่งที่เราได้รับมาแล้วแล้วก็ไม่มีชีวิตที่เคยไม่เคยไม่ได้เกิดแล้วก็เกิดมาแล้วแล้วก็เป็นเคยเป็นโพลเคยเป็นเทวดาเคยเป็นมนุษย์เคยเป็น เคยเป็นศาสตร์เคยจบนโรกไม่ไม่มีชีวิตใดที่เราไม่เคยเป็นไม่มีสิ่งใดสิ่งในที่เราไม่ไมเคยชิ่นเราก็เป็นไปมามาแล้วทุกๆุกอย่างเป็นไปมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยชิ่นเป็นรถถูปธรรมรุปธรรมที่ดีมาก รถพระธรรมอาตมาอยากให้อยากให้ประสบอยากให้มีความประสบกี่ยวข้อกับรสพระธรรมอยากให้ท่านได้ลิ้มรสพระธรรม หากท่านปรารถนาที่จะลิมลดพระธรรมท่านจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังค่ะ among all dharma of the teeth teeth the the is best ในบรรดารสทั้งหลายรสรสของพระธรรมเป็นเลิศค่ะ but to be able to t e a s t h e taste of the dharma We need enough time. We need enough effort. We need to invest our effort and time. แต่ว่ t ในการที่จะปฏิบัติ t but, but, but, but, but, ท่า but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, ว u t but, but, but, b t but, b u Encouragement for all of you. Um, a t a give encouragement to a l Now I will continue on to be Vipassanayanic. And next, Professor v i p a i b e s a v i p a s s a n a y a n i If you want to practice Vipassana directly, you need to start. สำหรับท่านที่เป็นต้องการที่จะเป็นวิปัสสนาญาณิกปฏิบัติวิปัสสนาโดยตรงท่านจําเป็นที่จะต้องเริ่มปฏิบัติจากรูปกรรมฐานค่ะอาจารย์เจวิตาได้อธิบายกับท่านมาแล้วว่าท่านจะปฏิบัติจะตุ่ธาตุได้อย่างไร suppose You have d i s e n t f g r e l e m e n t s successfully, and you you could break down your body into very tiny, small particles, which are arising and perishing rapidly all the time. I have that. Than, ประสบความสําเร็จในการกําหนดรู้ธาตุสีจนกระทั่งธาตุสีนั้นจนกระทั่งแตกออกเป็นรูปกระลาบรูปกระลาบ ที่ละเอียดนะคะเมื่อท่านสามารถทําได้ถึงการเห็นรูปกลาบที่ละเอียดแล้วและเกิดับอย่างรวดเร็วและเห็นรูปกลาบเกิดดับอย่างรวดเร็ว A that time is a time to descend, ultimate m a t u r i t y that exists in each particle. เมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ท่านจะต้องกําหนดดูรูปปรมาทิที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปกลาบ Before going to analyze the ultimate m reality that exists in each each d o o r you need to differentiate two types that differentiate the k l a p a s which are trans, translucent and which are opaque ในการที่ท่านจะสามารถกำหนดดูรูปปรมาตัในแต่ละทวารเริ่มในในเบื้องแรกท่านจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถที่จะแยกแยะว่ามีรูปกลับอยู่สองชนิดก็คือชนิดใสและก็ชนิดทึบ In this body in our body there are two types of kalapa one is translucent another is opaque ในในกายนี้มีรูปกลาบอยู่สองสองชนิดก็คือชนิดสายและชนิดทึบค่ะเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจมากขึ้นพระอาจารย์ราบตาจะอธิบายเพิ่มขึ้นว่า ลูกกรับมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ When you're going to switch on or turn on turn on the television before the program starts, but maybe not the new television, old television, what did you see? ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในโทรทัศน์ เครื่องเก่านะคะไม่ใช่โทรทัศน์เครื่องใหม่เมื่อท่านเมื่อท่านเริ่มเปิดสวิตช์เปิดโทรทัศน์เนี่ยอะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับโทรทัศน์ที่ค่อนข้างเก่าอะคะ่ะ you you see many spots many spots are they small or big hmm. มันเล็กหรือใหญ่เล็ก เต่ว่าสามามองเห็นด้วยตาเปล่าเต่ลูกกลับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยสมาธิแค่นี้เองเล็กมากเราเรียกว่า s ับอ t o m i c particles เรียกว่าปรมาณู Have you ever seen small atom? You can't, you can't. But you can see the small particles, which is what we what we understand smaller than atom. We call it subatomic particles. n ท่านก็คงทราบแล้วว่าท่านไม่สามารถเห็นอะตอมได้แต่ว่าท่านจะสามารถที่จะเห็นรูป ก, กลาบซึ่งมีความซึ่งมีความเล็กมากกว่าอะตอมนี้ได้ Now most of you have pen. How about the tip of the pen compared to the spot on the television on the screen and the tip of the pen which is m o s t Bigger and which smaller. และขณะ น, นี้หลายๆท่านก็มีปากกาอยู่พระอาจารย์เรวตาให้ท่านเปรียบเทียบปลายปากกาซึ่งเล็กมากกับจุดในโทรทัศน์เครื่องเก่าเมื่อตอนที่ท่านเริ่มเปิดโทรทัศน์ว่าอันไหนเล็กกว่ากันคะ Yes the tip of the pen is smaller than the spot on the screen Uh huh. but you, it is difficult for you to see clearly the tip of the pen those who have penetrated the small particles if they pay attention f o r elements at the tip of the or or point pen they see many particles there they uh huh. can see think how small they are arising and perishing rapidly และในตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่า ปลายปากกานั้นเล็กมากกว่าจุดในจุดบนจอโทรทัศน์เครื่องเก่านะคะแต่ว่าที่ที่พระอ้อตริยามีผู้ปฏิบัติทำบางท่านที่สามารถเห็นรูปกระลาบที่ปลายที่ประกอบอยู่ที่ปลายปากกาซึ่งเล็กมากแล้วก็สามารถเห็นการเกิดดับมีลายๆรูป ก, กลบับเนี่ Can see at the tip of the ballpoint pen many many small particles that are arising and perishing rapidly. At the e ย d of ป h e practice, some practitioners <laughs> have seen many bubbles <laughs> a r i s เกิดดับอย่างรวดเร็วค่ะ So, because of this reason, Buddha said, "Come and see. Dharma is what you can come and see directly." ด้วยเหตุผลนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าขอให้เธอมาเพื่อที่จะเห็นพระธรรมโดยตรงแต่ว่าต้องเจริญสมาธิถ้าไม่มีไม่เจริญสมาธิไม่สามารถเป็นไปไม่ได้ so when you see s m o k e so now you understand what the small particles look like และในตอนนี้ท่านท่านก็ได้เข้าใจแล้วว่ารูป ก, กลาบเนี่ยดูเหมือนอะไรค่ะ So when you are going to differentiate which one is opaque which one is translucent you need to pay attention very mindfully. และเมื่อท่านกำลังที่จะกำหนดดูว่ารูป ก, กลาบใดเป็นรูป ก, กลาบชนิดสายหรือว่ารูป ก, กลาบใดเป็นรูป ก, กลาบชนิดทึบ ชนิดทึบท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูอย่างมีสติ So you have done you have disent for u elements in your body as you know it there is a there is a piece of stone big stone there you can feel hardness coldness heat cold supporting easily When you break breaks that stone into very tiny small pieces, at that time is it easy to feel hardness, heat in those very small pieces? Yoke. Example, such as in in a stone, a large stone, you may be able to know that. รับรู้ถึงความแข็งหรือว่าความร้อนความเย็นหรือว่าลักษณะของธาตุสี่ในก้อนหินก้อนใหญ่นั้นได้แต่ถ้าสมมุติว่าท่านทําลายทุบทําลายหินนั้นให้แตกออกเป็นก้อนที่ละเอียดแล้วการที่จะรับรู้ลักษณะของธาตุสี่เช่นความแข็งหรือว่าความร้อนความเย็นหรือว่าลักษณะอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้ง่ายไหมคะยากยากเต่ว yeah, yeah. ่า โยมทั้งหลายก็เข้าใจพัะสิทธิปสูทั้งหลายก็เข้าใจถ้ารวมกันเป็นกล้องเวลานั้นก็เราสามารถรู้สึกได้อย่างง่ายๆแต่ว่าในแต่ละรูปกกลาพรูปลากกบก็เป็นถ้าเร า, วารวมกันเป็นกล้องก็จะเป็นร่างกายของเราอีกเหนกัน ก็เลยในแต่ละรูปในแตลุรูกลับมีแต่ละลักษณะถ้าวาไม่ไม่มีสมาธิเราไม่สามารถทาได้ because of this reason when we taught meditators to analyze the ultimate materiality exists in each particle in the translucent and opaque we let them discern hardness in their body first only then hardness in the Translucent kalapa, hardness in the body, hardness in the translucent c a l a b a again and again, until they n d s t a i n เพราะว่าการที่จะกําหนดดูท่าสีในลูกกลาบซึ่งเล็กมากนั้นทําได้ยากดังนั้นทางพระอาจารย์ก็จะสอนว่าอย่างเช่นในกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วที่มันดูเป็นก้อนอยู่ก็เพราะว่าประกอบขึ้นด้วยลูกกลาบเล็ก แต่ว่าในการที่จะสามารถที่จะกำหนดดูธาตุสี่อย่างเช่นความแข็งในรูปกระลาบที่ในรูปกลาบที่ละเอียดเนี่ยอาจารย์จะสอนให้เราดูความแข็งที่ขงในตัวของเราก่อนเสร็จ แ, แล้วเมื่อเราเห็นความแข็งได้ชัดเจนแล้วจากนั้นก็จึงย้ายจิตไปดูความแข็งในรูปกระลาบชนิดใส แล้วก็ย้อนกลับมาดูความแข็งในตัวเองอีกแล้วก็สลับกันกับไปดูความแข็งในลูกกระลบาบชนิดใสสลับกันไปมาจนกระทั่งเข้าใจอะค่ะ So when you can discern hardness in this in the translucent c a l a p a you need to continue roughness in your body, roughness in these f m a l l particles, hardness and roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness. All the one after another, และเมื่อท่านมีความเข้าใจในความแข็งของรูกลาบสายดีแล้วจากนั้นท่านก็จะต้องกำหนดดูสภาวะอื่นๆไปทีละสภาวะอย่างเช่นความหยาบก็กำหนดดูจากข้างในตัวก่อนแล้วก็เมื่อรู้ความหยาบข้างในตัวชัดแล้วจึงได้กำหนดดูความหยาบใน รูปกะหลาบที่ละเอียดของรูปกะหลาบชนิดใสแล้วก็าทาสลับกันในตัวแล้วก็ในรูปกะหลาบชนิดใสความอยากทาอย่างนี้ไปค่ะทอย่างนี้ไปทีละลาดับจนกระทั่งครบทั้ง12ลักษณะของท่านสามารถกําหนดดู12ลักษณะของรูปกะหลาบไสชนิดใสค่ะ so when you are successful in the disement s of in the disement s of 12 characteristics in c h a n l u s e n d Galapa you need to do in the o p a c one และเมื่อท่านสามารถรทําได้ประสบความสําเร็จในดูลักษณะ12ลักษณะในรูปกระลาบใยและในรูปกระลาบใยแล้วท่านก็จะต้องทำในทํานองเดียวกันกับรูปกระลาบทึบค่ะ นี่คือการทำตามลำดับขั้นตอนก็คือการที่จะต้องกำหนดรู้สภาวะลักษณะทั้ง12ลักษณะ ในรูปกลับชนิดสายและก็สิบสองลักษณะในรูปกลับชนิดทึบค่ะ but second stage they need to descend all together in one k a l a b a you may think very difficult <laughs> <laughs> but Buddha said the one who is concentrated knows and sees things as they really are และใน คําตอนที่สองก็คือว่าท่านจะต้องมีสา ม, มารถที่จะกําหนดรู้ลักษณะทั้ง12ในลูกกราบสายพร้อมกันและลักษณะทั้ง12ในลูกลัทึกพร้อมกัน But when you are going to two together, you will not see altogether l because they cannot appear some of them are, some of them cannot appear at the same time For example, Hardness, roughness, heaviness. These are heavy characteristics. The, the opposites: softness, smoothness, lightness. If the hardness, roughness, heaviness is predominant, the other three are not. That's why hardness, roughness, heaviness, f l o w i n g c o i s i o n heat or cold, heat and cold not together. And then. sporting and pushing. you can d i s c e n you can analyze eight together แต่ว่าลักษณะทั้งส2บสองนี้ไม่สามารถปรากฏอยู่ด้วยกันในรูป ก, กรลาบเดียวเพราะว่ามีลักษณะบางอย่างที่เป็นคู่ตรงคู่ตรงข้ามกันอย่างเช่นและลักษณะของปฐวีธาตุซึ่งมีแข็งหยาบหนักไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับลักษณะของปฐวีธาตุที่เป็น นุ่มเรียบเบาดังนั้นในลูกกระลาบอย่างเช่นลูกกลาบชนิดสายที่ที่มีลักษณะแข็งหยาบหนักก็ไม่สามารถที่จะมีนุ่มเรียบเบาได้แล้วยกตัวอย่างเช่นลูกกรลาบนั้นมีสภาวะแบบแข็งหยาบหนักอันนี้คือธาตุดินต่อไปก็เป็นธาตุน้ําก็คือไหล่ละเกาะกลุมจะมีอันนี้รวมเป็นห้าแล้วนะคะ เสร็จแล้วธาตุไฟก็จะมีได้เพียงอย่างเดียวก็คือร้อนหรือเย็นนี่ก็คือลักษณะที่6แล้วก็ธาตุลมก็คือคั้มจุนและผลักจะมีรวมอยู่ดังนั้นในธาตุสใน1รูปกรลาบจะมี8ลักษณะค่ะท่านจะต้องมีความสามารถที่จะกําหนดดู8ลักษณะนี้พร้อมกันใน1รูปกรลาบ how interested How interesting thing it will be! h e r i n e i h i Really, now at part before coming to Thailand, I have talked some of the westerners, those who are doctor before. Very interested, they told me, "Oh, we cannot do." Such deep an an analysis in our laboratory, I can do now better. Uh. Prat, b e f p r e the p r o f e s a o r Rivatta came to Thailand, he taught a f o r e i g p e r a w a s t e r n e r who had studied with him before, to do an analysis. <laughs> ท้าสีในรูปกระลาดแล้วก็เขาเาเป็น เ, นเาเป็นคุณหมอค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ในห้อง l ลบในห้องทดลองของของหมอได้ค่ะเขาสามารถได้มากกว่าเขาเาสามารถทำที่พระอ่านได้มากกว่า with Inside knowledge with the light of concentration, you can see more clearly, more deeply. w i h l e a t e d g e i o e With the light of concentration, you can see more clearly, more deeply. i h a t s e g f o r i o e n e n e r c i h a s e g f o r i e n e e r c i s e f o r Two weeks. ที่ได้ให้การบ้านแกคุณหมอคนนั้นสัปดาห์ค่ะบ้ So they told me, please come back as quick as possible. ะ <laughs> คุณมอท่านั้นก็ขอร้องพระอาจารย์ว่ากรุณากลับจากประเทศไทยเร็วนะคะดังนั้นพระอาจารย์เรอตาก็จําเป็นที่จะต้องรีบกลับไปสอนลูกศิษย์ซึ่งมีมากมายนะคะลูกศิษย์ต่างชาติที่นั่นมี24ประเทศค่ะ So after that they need to In each ing in ultimatetil หลังจากนั้นท่านก็จําเป็นที่จะต้องกําหนดรูปปรมัทิตย์ในแต่ละทวารค่ะ So in in every door there are four types of kalapas four types of small particles ในแต่ในในทุกๆทกวานจะมีลูกกลาบอยู่4ชนิดค่ะ So one is k a m m a b o r n materiality. เป็นรูปรูปกะลาบที่เกิดจาก4ี่สมุทสีสมุดฐานค่ะอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นกรรมชารูปรูปเกิดแต่กรรมค่ะ So another one is mind-born materiality. อีกอย่างหนึ่งก็คือจิตตชรูปรูปที่เกิดแต่จิตค่ะ Another one is nutriment-born materiality. อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารัชรูปรูปที่เกิดแต่อาหารค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออุตตุชรูปรูปที่เกิดจากฤดูค่ะ ร่างกายของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ารูปที่เกิดแต่สี่สมุดฐานนี้ค่ะและในในจักขุทวานกรรมชรูปอะไรที่ท่านจะสามารถเห็นได้ในจักขุทวานค่ะ Critically, actually, with เพราะว่ากรรมชรูปเนี่ยก็ได้มีปรากฏอยู่แล้วโดยโดยแท้จริงในในจักรุทวานของท่านค่ะ All these four types of small particles, all these four types of materiality are with you all the time. รูปสี่สมุดฐานนี้อยู่ในตัวของท่านตลอดเวลาค่ะแล้วว่ท่าน So in the idol what are they? In the idol t h e y are karma-born materiality. What are they? ในจักขุทวาน กรรมชรูปเนี่ยมีอะไรบ้างคะ so one is ชักคุชักคุส菩萨ชักคู菩萨 if y o e can can look at the paper ชักคุ a a p a a m a t h a a u d a s a k a l a a u d a s a k a l a a u d a s a k a l a Dasa k a a n o t h e r one, kaya dasaka k a l a a a dasaka k a l a Another one, it is not not in in this table. Another one is. Jivita, Navaka, Kala, Jivita. So there are four types of karma-born materiality in our idol. So in the idol, if you if you d i s c s r n four elements in your idol, you will see many small particles that are arising and perishing rapidly. ถ้าเผอว่าท่านได้ดูรูปกระลาบที่ในจักรกุทวานท่านก็จะเห็นรูปกระลาบในที่เกิดจากสี่สมุทรา น, นี้เกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดเวลาค่ะ so sama translucent sama และในจักรกุทวานนี้ท่านก็จะเห็นรูปกระลาบบางบางรูปกระลาบก็เป็นชนิดใสาบางรูปกระลาบก็เป็นชนิดทึบค่ะ so chaku p a s a d จักรปราดา it is translucent ก a า a ะ a กรูปสานี้อยู่ในอยู่ในรูปกลาบชนิดใสค่ะกายป it is also translucent กะยปราก็อยู่ในรูปกลาบชนิดใสค่ะบาวะปราดบาวะทัศกกลาบนนี this is opaque กลาบ สำหรับภาวะรูปที่อยู่ในภาวะทัศกากลาบนี้เป็นรูปกลาบชนิดทึบค่ะและชีวิตะซึ่งอยู่ในชีวิตะชีวิตะนาวากะกลาปะก็เป็นรูปกลาบชนิดทึบค่ะ And the, all the other types Small particles, l i n h b o n maturity, nutrient b o n maturity, temperature b o n maturity—they all are opaque ones too. n e shape that—shape t h ป t i f i t is s o y o i f i t i s so, you need to analyze opaque calavas and. ดังนั้นท่านจาเป็นที่จะต้องกาหนดดูทั้งรูปกราบชนิดสายและรูปกราบชนิดทึบทั้งหมดที่มีในจักรุวานค่ะตอนนี้รูปมองดูอาตมาหน่อยเห็นไหมทำไหมไมใช่มีดามีสักคูปสา เพราะว่าพระภิกษุทั้งหลาลยะโยมทั้งหลายมีสกุปปาสา mm hmm. เพราะฉะนั้นสามารถมองเห็นอาตมาได้แล้วก็ปรุเตตาของตาของตัวเองรู้สึกไหมรู้สึกภาษสะไหมภาษสะทำไม เพราะว่ามีกายประสาท ถ, ถ้าอย่างนั้น ร, กกรูกกลับใดรูปหลับหนเป็นสกุลประสาทรูกกลับหนเป็นกายประสาทต้องกำหนดรู้ด้วยอย่างด้วยอย่างเข้าใจไหม so you need to differentiate Which translucent one is s a k u p a s a Which translucent one is k a y a paasa? t h e r e s t h e ability to distinguish t h the h in the j a k u d a a n is a j h a k u d a s a k a kalapa, the a a a s a k a kalapa. Before you are going to analyze or going to d s c e r n which one is. eye sensitivity which one is body sensitivity you need to analyze the ultimate materiality up to จ life no net h a a t i และในการที่ท่านจะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่ารูปกลาบสที่อยู่ในจักขุตวาเนี่ยเป็นจักขุปปสาหรือเป็นจักขุปสาหรือว่าเป็นกายาปัสสาท ท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดกาหนดวิเคราะห์รูปปรมาตในในรูปกรลาบในรูปกรลาบใสในจกักขุทวานนั้นทั้งหมดเก้าปรมาิจนถึงตั้งแต่ดิน น, น้ำไฟลมสีกลิ่นรสอาหารและรูปและชีวิตตรูปค่ะจนถึงอันดับที่เก้าแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะสอนต่อ so please look at the paper ทวิตารอาบุทา t าุวัน ja, รสอชารสถึงอชารสรสมันไม่ไม่ยากไม่ยากที่จะกำหนดรู้แต่ว่าเพื่ออชาอชายากยากเดี๋ยวนี้อามาจะอธิบายจะกำหนดรู้อย่างไร So you need to pay attention to the translucent galapa in your idol, and you need to pay attention at the middle of the translucent galapa. In the way that the teacher taught us how to observe, we need to focus on the translucent galapa. Then we need to look at the middle of the translucent g a l a ่ a เป็นเหมือนไข่แดง so at the middle of the translucent g l o b u l USC like yolk of an egg จะท่านจะเห็นว่าตร ง, ตรงกลางของตรงศูนย์กลางของรูปกระลาบสายในจกกักรวานั้นจะมีลักษณะเหมือนกับไข่แดงของไข่ไก่ค่ะ first you must see it but not enough ในเบื้องแรกท่านเมื่อท่านได้เห็นแล้วก็จริงแต่ว่าแค่การเห็นนั้นไม่เพียงพอค่ะ What happening from that order? This is important is is order? from สิ่งที่เกิดขึ้นจากโอชานั้นอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญ so at that time meditators need to be very careful และในเวลานั้นผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งค่ะด้วยความเอาใจใส่อย่างยิง่ง ja, และในที่สุดผู้ปฏิบัติก็จะสามารถเห็นว่าโอชาเนี่ยก่อให้เกิด รูปกรลาบอื่นได้ต่อได้ต่ อ, ต, อต่อไปหากท่านได้เห็นดังนี้ mm hmm. ก็เรียกว่าท่านได้รู้และเห็นโอชาได้เข้าใจและเห็นโอชา so one, ita, oo, ในการ <also> ที่จะเห็นชีวิตแรูปก็ mm hmm. ก็เป็นการยากที่จะได้เห็นคะ mm hmm. so, In in every translucent glava, translucent particles, they are life no net f a c u l t y jivita, jivita ru. In every translucent glava. Not not life no net. Okay, I translate. <speaking> in in, rupa glava say, in rupa glava say, ทุกรูปจะจะมีชีวิตแต่รูป อยู่เป็นถ้าถ้าเป็นถ้าเราดูตามหมายเลขนี้ก็คือเป็นปรมัต์ลำดับที่เก้าค่ะ so what is its p h e n o m e n a it is difficult just p h e n o m e n a only all the paramatta all the ultimate reality are what you cannot touch what you cannot grasp what what you cannot hold like anya it is what you can understand with your insight knowledge แล้วลักษณะของชีวิตตนรูปเนี่ยหรือว่าปรากฏการณ์ของชีวิตตนรูปเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่ท่านจะสามารถจับต้องหรือว่าสัมผัสเหมือนอย่างที่ท่านสั ม, สมผัสกล่องแว่นหรือว่าสัมผัสบัญญัติอื่นๆนะคะปรากฏการณ์ ปรากฏการของชีวิตต่รูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับมีชีวิตนะคทีฟ ย, ย, ยังสิ่งที่มีชีวิต <c oughs> แล้วก็ it sustains the m a t u r i t y that exists in the same club before perishing แล้วก็ชีวิตต่รูปมีหน้าที่ที่จะดำรงรักษาปรมาทรูปอื่นๆที่อยู่ในกลาบเดียวกัน ดังนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องเห็นชีวิตตัรูปซึ่งเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่หล่อเลี้ยงปรมัดรูปอื่นๆในรูปกลาบใส่นั้นค่ะท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกำหนดดูด้วยการปฏิบัติโดยตรงค่ะ คนบอกที่อาตมาบอกเขาก็ชอบอ้อตผมสามาได้รู้ชีวิตตาแล้วเขาบอก so now finish ได้ so 10 what is that one ชักคูปัสตาชักคูปัส so we don't know which translucent one is ชักคูปัสตา We need to differentiate which one is j h u p a s a d which one is k a y a p a s a d ับ r the t e n ี่ i ใน h ู f ก r m of the form of the sign in the jhukdhavan, there will be ่ h u k p a s a d or g a i ่ a p a s a d which we ่ e e d to differentiate which one is jhukpasad y a p a s a d Can you tell the definition of? s a k u p a s a which color can impinge? Uh, from uh, the n a t ร r e of jaku basa is that it can affect the shape. So, when you are going to analyze which one is high transparent, high tr sensitivity, you need to develop concentration. With four elements meditation, you will see small particles throughout your body, and when you pay attention, your eye door also you will see just s m a l l particles. In the process of setting up the jhāna, you must first set up the four sights, which you will see until they break into four sights in y o น r วงตา เจนกระทั่งแตกออกเป็นรูปกล่บแล้ว then you need to take one to l o s e n c a l a แล้วท่านให้ท่านเลือกรูปกะหล่ำสายในจักขุธวัญขึ้นมา1กะหล่ำ and then you need to pay attention to color of the group of c a l a b a very nearby เมื่อท่านเลือกรูปกลาบใสายหนึ่งรูปในจักขุทวารได้แล้วก็ให้ท่านใส่ใจไปที่สีของกลุ่มของกลุ่มของรูปกลาบที่อยู่ใกล้เคียงกับรูปกลาบใสายที่ท่านได้เลือกไว้นั้นให้ท่านใส่ใจไปที่สีของรูปกลาบข้างเคียงค่ะ if the color of the group of k a l a b a s nearby impinges to the ทันหลุสันกลาบะ at that time you can know that this is i translucent k l a p และถ้าสีของสีของกลุ่มรูปกลาบนั้นกระทบมีอันออกระทบกันกับรูปกลาบใสายที่ท่านได้เลือกไว้นั่นก็แสดงว่ารูปกลาบใสายที่ท่านได้เลือกดูนั้นมีจกักขุประสาท์ค่ะเพราะว่าจากักขุประสาต์มีลักษณะคือมีอันกระทบรูปได้เป็นลักษณะ เข้าใจไหมครับไม่เข้าใต้องิบัตต้องิบั so to analyze which one is body translucent you need to take one translucent kalapa and then you need to pay attention the hardness of the kalapa close to not nearby When the hardness เมื่อท่าน r d เ e s s i m p นิอุสต่อที t โปร่งใสหนึ่ n ณที่เวลานั้นคุณจะรู้ว่านี่ i ือร่างกายโปร่งใสอีแและเมื่อท่านเมื่อท่านเมื่อท่านเลือกรูปกลาบสายในจักขธวาลอีกรูปหนึ่งนะคะและให้ท่านใส่ใจไปที่ความแข็งของรูปกลาบที่ ไม่ใช่ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าที่อยู่ติดกับลูกกรลาบใสที่ท่านเลือกไว้ในจกักขุทวาลถ้าเผื่อว่าสภาวะแข็งนั้นกระทบกันกับลูกกรลาบใสที่ท่านได้เลือกไว้นั่นก็แสดงว่าลูกกรลาบใสที่ท่านได้เลือกไว้นั้นเป็นกายธัศากากะลาปะค่ะเพราะว่ากายประสาทมีอั น, ม, อนมีอันกระทบพัวพารลมได้เป็นลักษณะ if you pay attention for example now i i i keep my two finger far away can we feel the touch no that's why we need to take choose then close one only then you can feel the touch yes อย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่าเมื่อพระอาจารย์ยกนิ้วขึ้นข้างมือละข้างนะคะ ถ้ายังอยู่ห่างกันเนี่ยการสัมผัสย่อมไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามาอยู่ติดกันการสัมผัสก็ย่อมเกิดขึ้นค่ะถ้าหากว่าท่านเข้าใจแม้แต่เพียงเล็กน้อยพระอาจารย์ก็มีความสุขแล้วค่ะถ้าห u กว่า i <laughs> you know, n time o f the Buddha, there was one w e l l k n o w n person. สัจจคภาพ a i ย do you know สัจจคภาพสัสัจจาสัจจคนิอ s สัสั a k จจคสัจจนิร He had no faith on Buddha, Dharma, and Sangha. ในในสมัยพุ o n In i นะคะก็มีเขาชื่อว่าสัจจะนิครนค่ะสัจจะคงจะเป็นชื่อของโครธแล้วนินิครนนี่เป็นนักบวชชีเปลือยนิครนนี่เป็นนักบวชชีเปลือยค่ะและสัจจะเป็นชื่อของโครธเขาแต่ว่า สัจกานิคนคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่มีศัทธาในพระพรทธศาสดาค่ะ but one day he approached the buddha and buddha the one who knows all see that what is going to be in the future so he, he declared the dhamma explaining the true nature of the five aggregates Especially emphasizing on the anatta characteristic, and then he a p p r e c i a t e but he didn't say that he a p p r e c i a t e because he has a lot of disciples with him. Because Prince s <laughs> i d d a r t h a had attained the Buddha's Path, Prince Siddhartha knew that in the future, what would h a p p e t ท่ั้ผู้นี้พระบรมศาสดาได้มีเมตตาตรัสสอนสัจจการนิครนอย่างเช่นเกี่ยวกับขันห้าแล้วก็เน้นเน้นที่จะอธิบายเรื่องอนัตตาสัจจการนิครน ประทับใจพระธรรมคำสั่สงสอนของพระบรมศาสดามากแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกหรือว่าเขาไม่ได้พูดเลยว่าเขามีความประทับใจเพราะว่าเขามีลูกศิษย์ลูกหามากมายค่ะพระบรมศาสดาได้ตรัสสอน พระใจรักทั้งสามอย่างก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าสัจจการิครนนั้นประทับใจในจอนัตตาลักษณะมากกว่าค่ะ The To do for the good of him, พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนด้วยสองพระสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ยาวมากก็คือจุลสัจจกสูตรและมหาสัจจกสูตรด้วยพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งต่อต่อสัจจกะนิครนผู้นี้ค่ะ He didn't say anything. He didn't express his Understanding, Buddha knew. After between two hundred and three hundred years, he became arahant in Sri Lanka. Because of this, just because he appreciated a n o t e a so you all like I think. But a g r a n i n i g r o n maybe I d n t k n o แต่ว่าข้างในเขาเขาเขาประทับใจในอนตัตตลักษณะแต่ว่าพระบระมศาสดาได้ทราบว่าในเวลาข้างหน้า ก, ก็คืออีกสองสามปีหลังจากพุทธกาลสัจสจการนิคนนี้ก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ที่สีรังกาค่ะนี่เป็นเพราะว่าการแสดงธรรมของพระบระมศาสดาในครั้งนั้นค่ะ ถ้า c h น e e p d h a ดราม่าลึกๆบางครั้งคุณอาจไม่ชอบบางครั้งคุณอา e รู้สึกเ sometimes you may f e e l s l e e p y but แต่ c นช t a i n time you may a p p r e c i a t ้ a certain point น w ะ l l ค e happy with it ดังนั้นในขณะนี้ที่พระอาจารย์เวรตะอธิบายพระธรรมที่ยากมากแม้ว่า ท่านอาจจะไม่เข้าใจและอาจจะทําให้ท่านเบื่อแต่ว่าถ้าเผื่อว่าในในประทับใจแต่ว่านี่นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มให้ท่านประทับใจในพระธรรมของพระบรมศาสดาแล้วซึ่งจะส่งผลดีต่อท่านในอนาคตดังนั้นพระอาจารย์เยรตาจกงได้มีความสุขค่ะแม้ว่าท่านจะเข้าใจในขณะนี้เพียงเล็กน้อยท่านพระอาจารย์เวรตาก็มีความสุขค่ะ ด้วยเหตุผลนี้พระอาจารย์เวตาจึงได้บอกบอกกับพวกเราว่าขอให้ท่านตั้งใจขอเวลาที่ท่านฟังพระธรรมขอให้ท่านฟังด้วยความเคารพ บ, บูชานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อท่านค่ะ for the pathisambida yana for the attainment of the ปฏิสัมพิธะอางน is listen the Dharma respectfully. ในการที่จะได้บรรลุปฏิสัมพิธธรรมเหตุเหตุประการหนึ่งก็คือการฟังธรรมด้วยความเคารพค่ะ Actually, I have been teaching the Dharma. I have been giving the Dharma a long time in many countries. This is the first time I explain such วีส์ first time deeply very fortunate <laughs> even in Korea I have been many times I give but not as deep as now. s now พระอาจารย์เววัตได้ได้ไปแสดงธรรมได้ไปสอนแล้วก็แสดงธรรมด้วยในประเทศต่างๆหลายประเทศแม้ว่าอย่างเช่นที่เกาหลีท่านไปมาบางทีหลายเดือนนะคะ บางทีห้าเดือนท่านก็ยังไม่เคยได้แสดงพระธรรมที่ลึกซึ้งขนาดนี้ที่ประเทศเกาหลีหรือประเทศอื่นๆ น, นี่เป็นครั้งแรกที่และเป็นประเทศแรกที่ท่านได้แสดงพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ค่ะ What also many lay devotee those who know it that's why I have this intention so that's why I try เหตุผลก็คือว่าเพราะว่าในที่ประชุมนี้มีพระมหาเถระพระภิกษุแล้วก็คาะวะหลายๆท่านที่เป็นผู้ทรงผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมดังนั้นพระอาจารย์เยาวตาจึงได้พยายามที่จะ ที่จะแสดงธรรมที่ลึกซึ้งนี้แก่พวกท่านทั้งหลายเป็นครั้งแรกค่ะ <laughs> อย่างน้อยที่สุดพวกท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นแจ้งพระนิพพานในอนาคตค่ะ และถ้าเผื่อว่าท่านสามารถทำกระทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันชาตินี้นี่ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะ so after that you need to continue analyzing bawa rupa s e x d e k i k e a l a p a หลังจากที่ท่านได้กำหนดรู้จากขุดด้สกัด กลาบแล้กายทัศกะกลาบแล้วต่อไปท่านก็จะต้องกําหนดรู้กรรมชรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือบาวะทัศกะกลาบค่ะ so บาวะรูปะ it is not the way all of us understand it is different from what we understand บาวะรูปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านเคยเข้าใจอยู่แล้วเป็นสิ่งที่แตกต่างจากความเข้าใจของท่านค่ะ so now You can reflect, men and women. Men, they are they are tough, they are strong, they, they are active. But women, they are gentle, they are soft. All the appearance, all the way of action, different. It is because of bawa rupa, bawa rupa make these difference. พระอาจารย์เรวัตายกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเราดูไปที่ผู้ชายก็จะเห็นลักษณะอย่างเช่นความความไม่ไม่นุ่มนวลหรือว่าความความแข็งแรง tough rough ความหยาบ tough ค ว, มควมไม่เพราะว่าตรงข้ามกับ gentle ก็คือความไม่นุ่มนวล น, นะคะ ความไม่นุม่มนวลความแข็งแรงมีกำลังแ ข, ข็งแกรง่งมีกาลังในขณะที่ถ้าท่านดูฝ่ายผู้หญิงท่านก็จะเห็นความนุม่มนวลความอ่อนละมุนความละมุนละไม as you know <laughs> even from far distance you know Man is coming or woman is coming because power, rupa make difference. ความแตกต่างนี้เป็นเพราะว่าภาวะรูปเนี่ยทําให้ทําให้เกิดความแตกต่างนี้ก okay. ็คือค่คือค่ะด้วยที่แม้ว่าเราเห็นด้วยตาเปล่าว่า เราก็ทราบว่าเป็นผู้หญิงเดินมาหรือว่าเป็นผู้ชายเดินมานี่เป็นเพราะภาวะรูปแยกความแตกต่างนี้ค่ะ so how to analyze it so it is opaque one it is not translucent ภาวะรูปนีเปน้เป็นเป็นรูปกลาบทึบค่ะไม่ใช่รูปกลาบใส so in every translucent galaba there is jivita ในทุกๆในทุกๆลูปกระลาบสายนั้นจะมีชีวิตแต่รูป but in opak galapa some they have c i v i t a some they have no c i v i t a แต่ว่าในรูปกระลาบทึบบางรูปกระลาบทึบมีชีวิตแต่รูปบางรูปกระลาบทึบก็ไม่มีชีวิตแต่รูป so when you are going to analyze which opak galapa is a w a rupa first you need to discern ในการที่ท่านจะสามารถแยกแยะได้ว่าในรูปกลาบทึบนี้เป็นปาวะรัสกาลปะบาวะรัสกากลาบหรือเปล่าในเบื้องแรกท่านก็จําเป็นที่จะต้องกําหนดดูชีวิตแตรูปของรูปกลาบทึบนั้นพัตอินสัมอุปเกลาปะ t h e r t h e r are there is ชีวิตะ แต่ but only up to จีวิตะ not not more than จีวิตะ it is called จีวิตะนาวากากราบะและในรูปกราบทึกบทก็มีอีกรูปกลาบทึบหนึ่งที่มีชีวิตารูปด้วยแต่ว่าในรูปกลาบทึบนั้นมีรูปปรมาทั้งแค่เพียง9้าค่ะซึ่งรูปกลาบทึบชนิดนั้นเรียกว่าชีวิตะนวากะกลา บ, ลาบ but in the บ่าว r รูปะ more than จีวิ t a แต่ว่าในบาวะรปะตวาในาวัศกะกลาบซึ่งเป็นรูปกลาบทึบจะมีรูปปรมัติมากกว่าเก้ารูปและรูปปรมิที่10ก็คือบาวะรูปค่ะ There is one element temperature uh, sorry hardness sorry a t element, in in the art element there is one characteristic softness, but bava rupa for female it c h n t l e soft, but not like that soft. g e n t l e because of this I am a woman, you can sense it, you can feel it. Because of this I am a man, you can feel it, you can sense it. และในท่านยกตัวอย่างว่าในปวกกาวะทัศกกลลาบซึ่งมีปัทวีธาตซึ่งถ้าปัทวีธาตนั้นเป็นลักษณะแบบนุ่มเรียบเบาความนุ่มนั้นกับอิทีอิทธีภาวะซึ่งอิทธีภาวะนี่หมายถึงเพศลักษณะของเพศหญิงเพศหญิงก็เป็นความนุ่มแต่ว่ามันไม่ใช่ความนุ่มแบบปัทวีธาตมันเป็นความนุ่มนวลละมุน ล, ละเมียดละไม ทำให้เข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นทําให้ท่านเข้าใจว่า เ, เราเป็นผู้หญิง in I the same way for oh, this, I am a of ในทำนองเดียวกันสําหรับท่านที่เป็นผู้ชายก็จะทําให้ท่านเข้าใจว่าเพราะว่าบุลิสต์บุลิสต์ภาวะ จึงทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นผู้ชาย so if there is jivita we should continue descending b a v a rupa but there may or there may not be if it is only if it is jivita navakalapa we cannot see b a v a rupa if it is b a w a rupa we can see more และในการที่ท่านจะแยกแยะว่า รูปกรลาทึบนั้นเป็นชีวิตานวากะกัะลาบกรลาบหรือว่าเป็นภาวะทัศกกรลาบก็คือว่าถ้าเป็นชีวิตตานวากะกรลาบก็จะมีแต่เพียง99ปามัตาปรมาทั้นั้นค่ะแล้วมีชีวิตะอยู่ในอันดับที่9แต่ว่าถ้าเป็นภาวะทัศกกรลาบชีวิตะจะเป็นอันดับที่9และจะมีอันดับที่10ด้วยก็คือเป็นภาวะรูป แล้วแต่ว่าเป็นอิทธิภาวะหรือว่าปุริสภาวะค่ะ so when they see where there is b a a r p a where there is no b a a r p a so they can make comparison which one is b a a r p a which one is no not b a a r p a และเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นสามารถที่จะกำหนดดูได้แล้วว่าในรูป ก, กลับทึกนั้น เป็นอย่างชนิดที่มีมีแต่เพียงเก้าก็คือมีถึงแค่ชีวิตนรูปหรือว่ามีภาวะรูปด้วยเมื่อเมื่อเขาสามารถเห็นได้ดังนั้นเขาเขาก็จะแยกความแตกต่างได้ว่านี่เป็นชีวิตตะนวาวกะ ก, กลาบหรือว่าเป็นภาวะทัศกะกลาบค่ะ so f e m a meditators are instructed to discern may bawa rupa May may meditators are instructed to d i s s e n t h e m a l e bawa r u to understand the difference between. และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นเพศหญิงก็จะได้รับการชี้แนะให้กําหนดดูบุริสภาวะของผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นเพศชายและผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นเพศชายก็จะได้รับการชี้แนะให้ดูอิทธิภาวะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นเพศหญิงเพื่อที่จะ ทำความเข้าใจภาวะรูปที่แตกต่างกันสองชนิดนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่เขาได้ได้กําหนดดูภาวะรูปที่ต่างกันสองชนิดนี้ก็จะทําให้เขาสามารถที่จะเข้าใจได้มากขึ้นค่ะในศูนย์ของเราที่เราอยู่ที่ไหนที่เขาอยู่ที่ไหนท So, i n c l u those who are practicing in the upper monastery when they are going to descend. Female bawa ruba, they pay, they need to pay attention. Those who are sitting in the lower monastery, thirty minutes far away, but with insight knowledge, you can do. This is the power of insight. At t Pa e t a Yam จ ะ, จะแบ่งออกเป็นมีมีสี่วัดด้วยกันแล้วก็วัดบนซึ่งซึ่งเป็นวัดที่พระภิกษุอยู่ห้ามห้ามห้ามสตรีปฏิบัติธรรมบนหอธรรมของพระนะคะหอธรรมของพระอยู่ห่างจากวัดล่างที่มีผู้หญิงอยู่เนี่ยโดยใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีแต่ว่าพระภิกษุที่อยู่บนหอธรรมเนี่ยสามารถที่จะกำหนดดูอิทธิภาวะรูปของ ผู้ปฏิบัติธรรมสตรี ซ, ซึ่งอยู่วัดล่างที่ไกลออกไป30นาทีโดยการเดินเท้าได้ด้วยวิปัสนายายเม่อวกเขา้องส่มสนพราะในวันเพเมย์ก a ลั i ปฏิบัอ่ดนั้นพ a t เขาต้องใส่ความสน่ะ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสตรีที่พระอตัตยาก็จําเป็นที่จะต้องใส่ใจไปที่ปุริสภาวะซึ่งอยู่ห่างห่างไปด้วยระยะเดินเท้า30นาทีอะค่ะ <Yeah. S 1> uh, ด้วยเพราะว่าด้วยแสงแห่งปัญญาค่ะ light of because of this reason when meditators could descend t h i two parts of the body We instruct them to descend from near to far. This is exercise. Only then, they understand how to do far. เพราะว่าที่พระออตยาได้สอนการปฏิบัติกายกฆตาสติอาการ32นะคะและในการสอนนั้นก็ได้สอนให้ผู้ปฏิบัติได้ค่อยๆขยายเขตของการกําหนดดูจากใ ก, กล้ที่สุด ไปจนค่อยๆไกลออกไปค่อยๆไกลออกไปค่อยๆไกลออกไปดังนั้นอันนี้คือการบ้านที่เขาได้เรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไปด้วยยานนะคะ So I will I will explain all of the rupa r u k l a b in the i d o l but for other d o o s you can understand after that. พระจารย์เรวตาจะจะอธิบายว่าจะวิธีวิธีการที่จะเห็นลูกกลาบใ น, นในจกักขรทวารทุกช น, นิดนะคะเสร็จ แ, แล้วในในทวารต่างๆท่านก็จะเข้าใจว่าเป็นปฏิบัติในทรรนองเดียวกันค่ะ So t h e r one mind-born materiality how to d i s e n i t ท่านจะตอนนี้พระอาจารย์เรวตจะสอนว่าจะกำหนดดูจิตตะชาูปได้อย่างไรคะ Here I want to suggest some of the lay devotees, those who have no Abhidharma knowledge. I encourage all of you. Please study a b h i d h a m m a for the fulfillment of Barami and for the realization of n i b b a n a You all should study in this very life. พระอาจารเสนับสนุนให้ค า, า, ารวะที่ยังไม่เคยได้ศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยได้ศึกษาพระอภิธรรมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่แก่การเจริญพระธรรมในชาตินี้นนและและเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเห็นแจ้งพระนิพพานค่ะ Those who have studied สําหรับผู้ผู้ผู้ปฏิบัติธรรมในที่นี้ที่ที่เคยศึกษาพระอภิธรรมมาแล้วก็จะเข้าใจดีในสิ่งที่พระอาจารย <ock> ์ก <Lynch> ําลังอธิบายเนี้ยมากกว่าผู้ที่ยังไม่เคยได้ศึกษาพระอภิธรรมค่ะเข้าใจแต่ว่ามันใชยด้วยัง If you want to understand with your i n s i g h t knowledge, you need to practice practically. หว่าท่านต้องการทุกท่านนะคะทั้งผู้ที่มีความรู้อภิธรรมและไม่มีความรู้ก็ตามหากท่านต้องการที่จะเข้าใจท่านจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เห็นโดยประจักษ์ค่ะ But one thing I need to tell all of you: most of the meditators In Pa Au, for example, lay devotees, foreigners, most of them are those who have no abhidharma knowledge at all. Only after coming to Pa Au, we taught them both learning and practicing together. Finally, they know more than who study. And t h a Ayana, ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รู้พระอภิธรรมมา ก, ก่อนแต่ว่าที่พระอัจจยาจะสอนปริยัติควบไปกับการปฏิบัตินะคะแล้วในที่สุดแล้วเขาเขาก็รู้เห็นสภาวะเข้าใจสภาวะมากกว่าผู้ที่เรียนพระอภิธรรมแต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติค่ะ Don't worry if you haven't learned but if you have sense of urgency go straightly ท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าท่านยังไม่มีความรู้พระอภิธรรมถ้าเผื่อว่าท่านมีความสังเวชที่จะก็พระอาจารย์ก็ขอให้ท่านไปปฏิบัติที่พระอาตยาโดยเร็วที่สุดนะคะ ถ้าเผอว่าที่ประเทศไทยมีสาขาของพระอ้อ ก, ก็จะเป็นการดีกับคนไทยเป็นจำนนมากสาขาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระ อ, อ้อโอเค how to discern mind born materiality เราจะกำหนดดูจิตชาตรูปได้อย่างไรคะ่ะ So you need to develop four elements concentration เราจำเป็นที่จะต้องเจริญจตุธาตุใหม่ค่ะ After that, you need to wiggle your finger. a ล t งจ that time, look at your b ิ h น a ้ว a ิ้ว n ี้ that time, look a a g a t that time, look at your b h a v a n i a m e look at your b a h a n g a Then, in that time, l o b h a n a e n in a b g e in m o o r h e n in t o o y o u a h e n o your a h e n m o your a e in m o r g e in m o your g in your g e in your g e in your g e your n e e d t y o u y o u n e e t o Check, desire to move your finger, and movement of the finger, which arises first. And in the case of the finger, you have to check the desire to y o v e the finger and the movement o a the f o n c e r You know that desire to move your finger arises first. ซึ่งในทางปัญญาปัญญาทั้งโลกโดยทั่วไปท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าความอยากต้งเกิดขึ้นก่อนแต่ว่าท่านจําเป็นที่จะต้องเห็นได้ด้วยยามค่ะว่าความอยากเนี่ยความอยากกระดิกนิ้วเกิดขึ้นก่อนนิ้วที่กระดิก When you understand it, so stay moving your finger. And look at your mind. all And because of that desire, that desire produces many tiny, small particles, and it's spread throughout the body. You you can see very, very clearly. And in the view of the n i v e r s <laughs> e you have to see that because o the d e i r e o grab. ความอยากนั้นได้ก่อให้เกิดจิตตชรูปที่เป็นรูปกระลาบที่ละเอียดมากมายแผ่ไปทั่วร่างกาย Because of this reason, when you are very happy, you have bodily good feeling because that happiness produces very good materiality and spread the whole body. That's why you feel good in your body. และในเวลาที่ท่านมีความสุข ความรู้สึกมีความสุขนั้นก็ก็เพราะว่าจิตจิตตชัรูปเนี่ยเกิดจิตตชัรูปของความรู้สึกที่มีความสุขนั้นแผ่ไปทั่วร่างท่านจึงรู้สึกมีความสุข whenever you feel sad at that time you feel bodily bad feeling too why the m a t a l i t y that produced by the sadness is bad that's why you feel bad ในเวลาที่ท่านมีความเศร้ากายของท่านก็หม่นหมองไปด้วยก็เพราะว่าจิตตชรูปที่เกิดจากโทมนัสได้แผ่ไปทั่วร่างกายซึ่งทำให้เพราะว่าเกิดจากจิตที่ที่ไม่ดีไงคะหม่นหมองจึงทำให้กายของท่านหม่นหมองไปด้วย so you need to pay attention the spreading of the mind b o r n materiality to every door You can understand can ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจไปที่การแพร่กระจายคือจิตตชรูปที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แพร่แพร่กระจายไปสู่ทุกทวารท่านจําเป็นที่จะต้องเห็นและเข้าใจด้วยยานค่ะ are to you the และจิตตชรูปนั้นก็ได้แผ่ไปที่นิ้วที่ท่านกระดิกอยู่ด้วยที่ท่านกําลังกระดิกนะคะ And then you need to analyze the ultimate materiality that exists in the m i n d b o r n m a t e u r i a l i t y i n e v e r y d t o n e a n m e s d o t h e n r e s o a t r e e h e i r h t e s t a r y e e u t a y i a e i h t s t o materiality in e m i s n d b o f materiality in m a t e u i r i a l i t y i t n d b o r y in m a t e u to i r i a l i t y n d b o n r n m a t h u to a e i r i t y h t Okay. จนมีโอชาเป็นอันดับที่8ค่ะ After that, you need continue หลังจากนั้นท่านก็จำเป็นที่จะต้องไปดูที่อาหารรัชรูปค่ะรูปที่เกิดแต่อาหารอ you you าจารย์ถามว่า ท่านท่านคิดอย่างไรคะว่าท่านท่านสามารถที่จะรับประทานอาหารได้โดยตรงหรือเปล่าท่านได้อาหารโดยตรงหรือเปล่า you cannot eat the food directly because the food that you eat is not the n yet nutrient b o n e m a t e r i t y it is just the temperature b o n e maturity as if you are eating actually only when After finishing the reaction, I will explain more. It produces nutrient bond maturity. It spread the whole body. Only at that time, it is called nutrient b o n e maturity. โดยที่แท้แล้วร่างกายของท่านไม่สามารถได้ได้รับอาหารโดยตรงเพราะว่าอาหารที่ท่านรับประทานเป็นเป็นเพียงแค่อุ t ุชู u ุ h a ชารูปเป็นรูปที่เกิดแต่ฤดู แต่ว่าเมื่อพระอาจารย์จะอธิบายต่อไปว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการการย่อยแล้วจึงจึงเกาะจะก่อให้เกิดอาหารรสชารูปได้อย่างไร So why you are eating? Why you are going to have your m e Sit down. จะวาอก e ฟร์เอลิเม concentration, and then put your food into your mouth and chew with close eye you will not, you will see just a small particles in your mouth โดยที่ท่านจะต้องปฏิบัติเพื่อการดูอาหารรัชรูปเนี่ยในขณะที่ท่านกำลังรับประทานอาหารก็คือเมื่อท่านนั่งลงแล้วนำอาหารใส่ปากเสร็จแล้วก็เคี้ยวแล้วก็หลับตา แล้วก็ดูดูให้เห็นอาหารที่เคี้ยวนั้นว่าเป็นแต่เพียงกลัลปะเป็นแต่เพียงรูปกลัลปบค่ะครับ so when you swallow also you just see small particles so it go into your stomach in your stomach also you see just a small particles that are arising and perishing very rapidly แล้วให้ท่านตามดูต่อไป ท่านก็จะเห็นว่าในขณะที่กลืนอาหารลงไปก็มีแต่เพียงรูปกลาบแล้วก็เห็นแต่เพียงรูปกรลาบที่จักคอลงไปที่กระเพาะอาหารท่านจะเห็นแต่เพียงรูปกลาบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วมากค่ะลูกกระลาบที่ท่านเห็นในเวลานี้ ในเวลานั้นยังไม่ใช่อาหาระชะรูปค่ะเป็นแต่เพียงอุตุชรูปเท่านั้นค่ะ so understand some steps to Bond ity, you need to do Nutriment need Materiality ในการที่ท่านจะสามารถเข้าใจอาหาระชะรูปท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติมากขึ้นกว่านี้ค่ะ so you need to need analyze the ultimate maturity that exists in temperature-born maturity โดยที่โดยที่ท่านจําเป็นที่จะต้องกําหนดดูกําหนดแยกปรมาทถรูปของอุตุชาอาหารใหม่ที่อยู่ในกระเพาะนะคะเป็นอุตุชาโอชาธรรมกะกราบซึ่งเป็นอุตุชารูป It has up. It has eight types of m a t e r i t y up to Ocha. ซึ่งเมื่อท่านยกแยกวิเคราะห์ได้แล้วท่านก็จะเห็นว่ามีรูปปรัมภในอุตุชรุปนั้นมีแต่เพียงแลมีโอชาเป็นอันดับที่แค่ะของอาหารใหม่ที่ท่านอยู่ที่ที่อยู่ในกระพาะของท่าน This one also a little bit difficult. Please pay attention. Carefully, so in the around the wall of the stomach, when you are hungry, when you sense, what do you feel? You feel hot because of digestive liquid. Ah, ใ h e มื่ e เวลาที่ท่านหิวท่านท่านก็จะสังเกตได้ว่าที่ผนั a ของกระเพาะเนี่ มีความรู้สึกร้อนที่ที่มันร้อนก็เพราะว่ามีไฟย่อยอาหารนะคะยแลย่้อวทย่อยหานกละแะท่านก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดู ปายย่อยอาหารซึ่งอยู่ที่ผนังกระเพาะโดยที่ปายย่อยอาหารนั้นเป็นรูปกลาบทึบแล้วก็มีรูปปรมาตแต่เพียงเก้าและมีชีวิตต่า อ, อยู่ในอันดับที่เก้าค่ะ So you need to notice in the digestive liquid kalapa or และในการกำหนดดูชีวิตตานวกากราปะซึ่งเป็นไฟย่อยอาหารในกระเพาะท่านจำเป็นที่จะต้องสังเกตว่าปรมาทรูปใดที่เป็นอธิปดี <Yeah. S 2> ที่เด่นขึ้นมา so you will notice that temperature fire element is predominant ซึ่งท่านก็จะสังเกตได้ว่าแต่โชธาตของจิตธาตุไฟของชีวิตานวักาลลาบกาลาบนั้นเป็นธาตุที่เด่นกว่าปรมาทรูปอื่น So that predominant temperature support to the o r e r of the newly eaten food k a l a b a only at that time it produces และด้วยไฟย่อยอาหารนั้นคือธาตุไฟของชีวิตานวกักกะลาปะเมื่อเจอกันเมื่อเจอกับออชาในอุตุชารูปของอาหารใหม่ก็จะทำให้เกิดการย่อยสลายและทำให้ย่อยออกเป็นอาหารรัชรูปที่ แผลไปทั่วร่างกายค่ะ t h a reaction is difficult to see, but you need to be very careful. But producing and spreading of the nutrient bond maturity are what you can see very easily. ในการที่จะดูปฏิกิริยาของการย่อยนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ท่านต้องใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่อย่างยิ่ง แต่ท่นานไม่ใช่กันย่อยการจีการจีกันการการเจอกันอันนี้เป็นสิ่งที่ยากเพ่จะเข้าใจแต่ spreading of the nutrient bond materiality throughout the body is very easy to see อ๋อแต่การเจอกันของไฟย่อย ก, กับโอชาของ อุตชารูปอาหารใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะเห็นได้แต่ว่าการการแพร่การแพร่ไปของอาหารรชะรูปไปยังไปทั่วร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ท่านสามารถเห็นได้คุเปลนเหนื่อยแล้วม <laughs> ีคนใดที่สามารถช่วยเปล Okay, nearly finished. <laughs> so it spread every dog. So you need to analyze the ultimate maturity of nutrient b o n e maturity in every dog. Aharacharupeh, ไดแผ่กระจายไปทั่วทั้งหกทวารและท่านก็จาเป็นที่จะต้อง กำหนดดูรูปปรามัตดของอาหารรสชารูปเนี้ยในในทุกทุทวารค่ะเมื่อท่านกำหนดดูท่านก็จะเห็นว่ามีปรามั t ทารูปจำนวนแและมีโอชาเป็นที่ค่ะเมื่อท่านกาหนดดูท่านก็จะเห็นว่ามีปรมัดทารูปจานวน8และมีโอชาเป็นที่แค่ะ นี่เป็นนี่เป็นรูปกลาบสุดท้ายของในจักกุฏวานทัมปริชาบอนเมทียรยลตี้ก็คืออุตุชาอุตชาลูกค่ะ so please look at the table again so in the จักกุทัศกาลกลาบ nine จักกุทัศกาลกลาบมีติจูธาดเห็นไหมครับ ใ<อ>นา ก, กนายทัศกาลกลับก็มีเทโชธาต์ภาวะทักาลกลับภาวะก็มีเทโชธาต์ในจิตจโอชะธาตมรรคกลับก็มีเทโชธาต์แลวก็น อ, อน า, นาอหารโอชาธรรมกาลกลับก็มีเทโชธาตทโช That t i d o that fire can produce new kalapa. s so from that the first generation, that in that kalapa also there is fire. That fire also can produce another generation, one after another. It is called temperature bond materiality. t e c h t a in t a t la l o k kalap, sama d i h a สามารถที่จะผลิตสามารถที่จะผลิตอุตุชาติรูปใหม่ี่ How many generation is what you need to practically analyze ซึ่ง <this end? S 1> แต่โชทาสเนี่ยจะสามารถผลิตอุตุชาติรูปใหม่ได้กี่รุน่นท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เห็นได้ด้วยตนเองค่ะ So they were The generation, t h producing of the generation, generation will be different according to the base. Which number of g e n e r i o n s that the teacher can produce uttara rupa will be different according t s o you must descend from every alabha that you have finished descending. Which is important that you m u กำหนดดูว่าในแต่ละลูกกระลับแต่ละแบบเนี่ยจะโชวถทาสามารถผลิตได้อุตุชรูปได้กี่รุ่น So now I want to explain something. When you descend for elements, you see your body emits light. What is that light? It is just the color of four elements It exists in every alab. That you see the light. ท่านท่านเวตาได้อธิบายว่าในเวลาที่ท่านกําหนดดูท่าสีและท่านเห็นเห็นแสงแสงนั้นก็คือแสงของรูปปรมัติต์ในรูปกระลาศแสงของมามาธาตุมาธาตุแสงของท่าสีแสงของท่าสี So in the mind-born materiality, also there is kala. In the temperature-born materiality, also there is kala. In the karma-born materiality, also there is vana kala. That's why they are the kala of the particles or of four elements. <laughs> in in j i t a a r u k, t e r i vana, w h i h means color, o in utu a r u k, t e r i vana. อาหารเชรูปก็มีวันนะหรือว่ารูปที่เกิดแต่กรรมก็มีวันนะก็คือสีสีเหล่านี้ก็คือสีของมหาพูดสีของท่าสีค่ะ but if the power of the insight power of the panya different maybe the brightness may different too แต่ว่าใน ผู้ที่มีปัญญาแตกต่างกันความสว่างของรูปย่อมแตกต่างกันความสว่างจะแตกต่างกันความสว่างของแสงย่อมแตกต่างกัน okay, you know how ultimate idol และในขณะนี้ท่านก็ได้ทราบแล้วว่าจะกำหนดดูรูปปรมาติ์ ในจักขุทวารได้อย่างไรคะ After that you need to do e a d o nose o o r t n g d o body d o and mind d o หลังจากนั้นท่านก็จําเป็นที่จะต้องกําหนดดูไปทีละหนึ่งทวารเช่นโสตาทวารคานาทวารชิวหาทวารกายทวารและมนุทวารค่ะ Only then you can practice สุญญาตาสุญญตา Yesterday, what I have explained. After น h a t you will be a า l e to practice the discernment, which is ่ n e of the topics ท h a t I explained to you yesterday. I think today it is enough. Today, we have run out of t i Any questions? ท่านใดมีคำถามเชิญเรียนถามได้ค่ะคุณยาาครับอ่ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการกระทบของสีที่จะขูก ป, ประสาทครับคือผมผมไม่ไม่ทราบว่าพอจะอุปมารหรือว่าทำให้เข้าใจโดยที่ยังไม่ต้องได้ชารก่อนไหมครับคือผมออผมคือไม่เข้าใจว่าเราจะสามารถสังเกตการกระทบได้งไงเพราะว่าคื อ, อ, อท่านที่ที่เคยเรียนมาคือมันเป็นรูปที่มาไม่ถึงนะครับ รูปที่มาไม่ถึงใช่ครับทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามาไม่ถึงแต่กระทบได้ใช่ครับซึ่งซึ่งท่นานอธิบายวิธี้แต่ไม่เข้าใจว่าเราจะสังเกตการกระทบนั้นยังไงครับคือมันอย่างที่ทุกคนเข้าใจเวลาที่เวลาที่มองไปดูคนใดคนหนึ่งเราก็เห็น แต่ว่าเขาไม่เข้ามาในในตาเลยแต่สามารถสามารถสามารถกระทบได้เพราะว่าสกุลประสาทเป็นสเนสภาวะที่สามารถรับรู้กางกระทบของสีได้เราเห็นคนรือสิ่งใดสิ่งหึจริงๆแล้วเราเห็นสี แสงสีก็เลยสามารถสามารถกระทบได้แต่ไม่ต้องเข้ามาเลยอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าถ้าเราทำอย่างนี้เห็นได้ไหมไม่เห็นก็เลยเวลาที่เราทำเรากำหนดรู้รูปได้เป็นสักคูปศาสตเราก็ต้องเอาใจใส่ รูปที่ใสยรูปกราบที่ใส่แต่เราก็ต้องไปเอาใจใส่แสงสีสีของกลองกลองรูปกลาบแต่ไม่ใช่ใกล้ใกล้ชิดกันต้องเป็นหันหันหน่อยก็เลยสามารถสามารถมากระทุกได้ดีครับสีมากระเถิด ก, ก็ต้องเฮเลย เข้าใจเหมือนกันพือ เ, เข้าใจได้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ขออนุญาตครั บ, ค, รบคือมันจะมีอาการอะไรพอที่จะทำให้สังเกตว่ามันกระทบนะครับคือหรือว่าต้องต้องอาศัยปัญญาที่เข้าไปประจักษ์จริงๆเพราะว่าอ่มันมันเนื่องจากว่าถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็คงเห็นว่ามันไปชนกันได้นะครับหรือว่าไปเจอกันได้แต่ว่าไอ้สีเนี่ย มันก็อยู่ห่างๆกันใช่แล้วแล้วมันก็มากระทบกันใช่ครับอันเนี้ยมันถ้าเกิดว่าไม่ได้เห anyway> um ็นด้วยตาแบบหมายถึงเห็นอย่างนี้จริงๆมันก็มันก็ยากที่จะรู้จริงๆนะครับง่ายที่จะรู้จริงๆด้วโดย่างจริงจริงจรินยผู้ปฏิบัติบอกว่าไงที่จะรู้จริงๆด้วยยยากที่จะรู้จริงๆด้วย จ้า <c oughs> ขอบพระคุณครับท่านลงปฏิบัตินะลงมือะลงมือทำปฏิบัติขอาการครับพระอาจารย์เล่าให้ฟังถึง เรื่องของอุตุชรูปคืออาหารที่เมื่อฉันเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อมาเจอกับธาตุไฟที่เป็นกรรมชรูปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาหารรชรูปที่สืบเนื่องกันไปทีนี้อยากจะถามว่ามันมีอาหารชรูปที่เกิดขึ้นในที่อื่นนอกจากในกระเพาะอาหารไหมครับอาจารย์ครั บ, รบมีมีในในปากในปากมีมี saliva น้ำลาย น้ำลายก็เป็นเป็นจิวิตร์นวัะกลับก็ในที่นี้ก็สามารถสามารปรถจุพัผลิตสามารถผลิตฮาราจารได้ไหมือนกันเข้าใจไหมครับขอกาสครับ รูปกราบนี่เป็นรูปสันฐานกรมรัสีเหลี่ยมครับครับผมไม่เข้าใจนี่ครับอออรูปกราบมีสันฐานอย่างไรครับ Please โปรลงมือปฏิบัติเลยครับ <laughs> ขอขอทราบก่อนปฏิบัติได้ไหมครับอย่าลีครับ <laughs> อย่าลีครับ <laughs> ต้องเลยต้องลู้โดยอย่างเลยครับขอบคุณครับขออนุญาตครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำถามประเยทเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่านะครับคือคือผมผมก็คือ เรื่องความแข็งคือโดยลักษณะที่จตุกะแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมก็ก็อยากจะถามว่ามันมีขนาดความแข็งเนี่ยโดยความเป็นธาตุของเขาเนี่ยมีความมีความมีขนาดที่แตกต่างก็ได้ไหมหรือว่าแตกต่างกันได้เฉพาะความแข็งเพราะว่า อ, อย่างสีเนี่ยในวิสุท ธ, ธิมรรคเนี่ยท่านบอกว่ามี สีเนี่ยมีลักษณะเดียวกันคือมีลักษณะเดียวกันแต่ว่ามีต่างๆกันโดยความเป็นสีเหลืองสีแดงสีขาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างความแข็งเนี่ยะจะมีเฉพาะว่าออดแข็งมากแข็งน้อยหรือว่าสามารถที่จะมีว่าขนาดแตกต่างกันได้อย่างเงี้ยครับอยู่ที่ยานเลยครับอยู่ที่านเลครับถ้าถ้าสมาดี แล้วก็แล้วก็มีย้อ i s o m ซม a นในสีกาละแล้วก็ยานก็เกกละค ส, สิ่งที่สามารถกำหนดรู้ได้เป็นชัดเจนเลยถ้าไม่ย้อนดิโซมันใน s ีกาล a ไม่ดีไม่ค่อยชดัดแล้วก็ถ้าสมาธิก็ไม่ถ้าสมาธิไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยชัดเลยครับ อ ย, อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นนะคะเ อ, อ ก, การนวัตกรรมค่ะเออเราต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ยานก่อนนะคะแต่ว่าเพื่อจะไปให้เห็นกลาบเพื่ออะไรคะเพื่อจะรู้ ร, ร, ริยิศัสตร์สี ถ้าไม่รู้รู้กลับเราก็ไม่สามารถรู้เท่รู้เท่เหินรู้รู้แจ้งห็นจริงรู้ประมารมได้ถ้าไม่รู้แจ้งเหินแจ้งรู้ประมารมเราก็ไม่สามารถลู้พุ่นจับความทุกข์ได้รู้กลาบเล็กๆเนี่นะคะ เราจะรู้แจ้งเห็นจริงโดยยานด้วยยานกาลังคิดอยู่ใช่ไหมเห็นได้ได้เปล่ากําลังอยากได้ยานแล้วค่ะอยากไปเห็นแล้วคดีใจดีใจแล้วพระลาหันที่ท่านได้สําเร็จบรรลุไปแล้วท่านจะเห็นกระลาบกันทุกคนไหมคะเอเห็นทุกองไหมคะครับละ ทำอาตมาอยู่ใช่ไหมค่ะอตอบไม่ได้ทำพร ะ, พระอาจา ร, รย์ไม่ได้โดวยวินัยไม่ไม่ไม่ไม่สามารถตอบนะไม่สามารถจะตอบอจริงๆแล้ว ทุก ท, กทกุอารหารันอาหัตาสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตลอดเป็นรูปนามประมารเขาไม่เห็นปัญญาเห็นแต่พระมารที่เกิดดับอย่างรวดอยู่ในเวลาที่เขาอยากเห็นปัญญาเขาก็ต้องเปลี่ยนจิตของเขาไม่เหมือนกับเรา <laughs> เรามีอเวจา่า ทุกคนทั้งหลายก็มีอวิชชาปิดดังไว้ก็จะให้เพื่อจะรู้ริยศัสตร์ก็เลยเราเห็นแต่บัญญตัติแต่อรหรันไม่มีอวิชชาไม่มีทานหาแล้วเขามองเห็นทุกอย่างเป็นจริงทุกที่แท้จริงก็เลยตลอดเวลาเขาเห็นอยู่ รูปนามประมาติเกืดดับอย่างรวดเรวเวลาที่เขาอยากเห็นอั ญ, ญาตเขาก็ต้องเปลี่ยนจิตใจของเราจิตใจของเขาเข้าใจไหมไม่ <c oughs> เข้าใจไม่เข้าใจค่ะ <c oughs> So, uh, is this a uh, alahan? Oh no no, because those who are practicing rupa meditation with closed eyes, with the concentration, they can penetrate the rupa, small tiny particles that are r i s i n g and perishing. But because of repeatedly practicing again and again, continuously, with open eyes also they can see. You can see, but it is not with their open eyes, just because of their concentration. If you practice, you will know it one day. <laughs> โอเคมีอะไรอีกไหมครอมีมีพระอระรูปไหนอ๋ออ๋อให้เพลงเมจิเดี๋ยวะเดี๋ยวท่านึงนะคะคำถามคือว่าขอคำถามก่อนนะคะขอโอกาสคือคำถามถามว่าเพราะว่าพระอาจารย์ได้เล่าถึงมีผู้หญิงเกาหลีใช่ไหมเจ้าคะที่ท่านได้ จเจริญจนเห็นรูปกระลาบเล็กๆที่ท่านท่านแสดงไว้เมื่อวานนั่นนะที่เป็นตัวอย่างก็เลยถามว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอรหันต์ไหมนะเจ้าค่ะท่านก็หมายเอาว่าคือนั่นคือสิ่งที่ต้องต้องน้องเขาไปเห็นก่อนแล้วก็จเจริญเป็นเป็นญาณท่านหมายเอาอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่อาจจะขอขออนุ ญ, ญาตไม่ชี้อ่า เสริมนิดนึงว่าท่า น, านตอบชัดๆค่ะสาธุค่ะอ๋อค่ะค<อ>่ะ<อ>ที่การที่เห็นรูปก ร, ราบนะคะอันนี้เป็นการ เ, าเริ่มต้นญานที่หนึ่งเลยคือการที่มีสมาธิที่ดีแล้วจะสามารถพิจารณารูปปรมาทิตย์ได้ค่ะเป็นยานที่หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นก็คื อ, อก็คือการที่ยังไม่ต้องเป็นพระอริยะก็เห็นได้ค่ะถูกไหมคะ ดังใจก่อนที่เป็นพระเรียาก็สามารถเห็นได้เพราะว่าเห็นแล้วเขาก็ทำวิปัสสนาถดไปก็เลยในที่สุดก็เขาบานหลุดมภูมนอย่างนี้น ข อ, อกาสพระเีลานุเทราครับขอถามพระอาจารย์ครับถามว่าการจเจริญวิปัสนาเนี่ยโดยที่ว่ามีวิปัสนาญาณิกะอย่างเดียวนี่ครับแล้วเฉพาะวิปัสนาญาณิกะเนี่ยจำเป็นไม่ที่ว่าเราจะต้องกำหนดรู้ที่จตุ ธาตเสียก่อนเท่านั้นอย่างเดียวคือปฏิเสธอย่างอื่นเลยปฏิเสธอย่างเองอเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เพื่อเพื่อผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาญาณิกเราก็ต้องเริ่มทำจตุจตุถาจุติธาตุไม่มีทางใด มีแต่ทางเดีย ว, ยวถ้าถาไม่ทำก็ไม่สามารถเข้าใจรูปธระ ม, มาทได้เลยมีทางเดียวเอามีทางเดียวเล ย, เยวเฉพาะเลยนะครับอาจารย์แล้วแล้วทีนี้ผมผมผมก็ขอถามต่ อ, อกนิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องของจตุธาตุนี่แล้วเราจะ ปฏิบัติงไงนะครับสำหรับต้องคนที่ต้องศึกษาต้อ ง, อ ง, อ ง, องเรียนนะเรียนจากครูครูบาอาจารย์เวลาที่เราสอนทัดสีเราก็บอกผู้ปฏิบัติต้องมาสอบถามอารมณ์ทุกๆุกวันถ้าไม่ถามก็ผมก็ไม่สอนเลยครับเพราะเพราะว่ามีมีมีปัญหาในเวลาที่ทําถ้าเขาไม่ไม่รู้ จะรักษาสงดุลอย่างไรเขาก็มีปัญหามีความล ำ, ลำบากแล้วก็มีความทุกข์ก็เลยต้องต้องสอบถามอารมณ์ทุกๆุกวันมาสอบอารมณ์ครับแล้วอยากรู้อีกอย่างหนึง่งครับอาจารย์คือแล้ว ลักฐานกล่าวอ้างเนี่ยที่อาจารย์ว่านเนี่ยนะที่ว่าเฉพาะเลยเนี่ยในการที่จ ะ, จะเจริญวิพัฒนาญานิกาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นตัึงแต่จตุธาเนี่ยใช่เป็นต้นไปเลยคือปฏิเสธอย่างอื่นเลยปฏิเสธนะครับผมก็เลยอยากจะขอความนขขอนุเคราระห์นะครับจากพระอาจารย์นะว่าแล้วที่มานะครับลักฐานอ้างยิงในะพระไตรปิฎกเนี่ยอยากจะทราบว่ามาจากสูตรไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎก ค, ครับ เพื่อผมจะได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่ในวิสุดิมักอยู่ในมัจจิมักมัจจิมกนกายะอัตทอัตกัาในขอ้อเกี่ยวข้องกับวินานุปัสสนาในอัตทกัานั้นอธิบายไว้ถ้าอยากได้ยินอีกอาจมาก็จะเล่าให้ฟัง อาตมาก็ได้ได้กล่าวมาหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าใจลอยไปอยู่คิดว่าสงสัยไม่เข้าห้องน้ำครับอาะารยเพิ่งเข้ามาครับาบางทีเวลาที่สอบอารมณ์คำถามที่ผู้ปฏิบัติถามเป็นคำคาตอบที่ที่อาตมาก็ธิบายไปแล้วแต่ว่า อาจจะเป็นใจลอยเลยไม่ไม่มีไม่มีสมาดิไม่เป็นอะไรเลยครับผมได้โอกาสพูจ้จักแลาว Do we d e n i k a m a t a n a n Rupa k a m a t a n a n h a arupa k a m a h a n a n h a Buddha taught only two types of meditation. When meditators are going to practice vipassana, rupa k a m a t a n a rupa k a m a h a n a n h a arupa k a m a h a n a n h a พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเพียงสองอารมณ์เท่านั้นค่ะคือรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานค่ะตัท a ะภ a ก a ารูปะกรรมฐาน i ั้นกติินโตสิงค์ปะมเนสิการะวสนาวะวิทาระมเนสิการะวสีนาวะ t าตุจะตุถาตุวะวุธานันกติสีเมื่อพระพุทธเ t a u สอนรูป t a t i o n Buddha taught brief or detailed method และในเวลาที่พระบรมศาสดาตรัสสอนรูปกรรมฐานพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนโดยสังเกตหรือว่าโดยพิสดารค่ะเรียบเรูปกรรมฐานนี้ที่อิจฉารูปมุขเณรวิปัสสนาบินฑิเวสันสันดายะอุดัง ค, คนที่อยากจะเป็นคนที่อยากจะทําวิปัสสนาอยากคนที่อยากจะเป็นวิปัสสนาอยากิด พระพุทธเจ้ากตรัก ส, สนรูปะกรรมฐานรูปะมุขีนะวิปัสสนาบินฑวิสันสันดายะุอตันเฉพาะครับผมครับไม่มีทางใดทางไหนมีทางเดียวครับครั บ, รบทีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้ที่จารย์บอกว่า นอกจากจะตุธาแล้วไม่มีทางอื่นนะครับทีนี้แล้วอาจารย์อาจารย์ฟังผมก่อนนะทีนี้เมื่อผมถามหาหลักฐานอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอยู่ในมัชชิมานิกายอยู่ในวิสุตติมารใช่ไหมครับแล้วอยู่ในมัชชิมานิกายซึ่งนิกายนี้ก็เยอะมากเลยทีนี้อาจารย์บอกว่าอยู่ในเวทนานุปัสนาใช่ไหมครับทีนี้เวทนานุปัสนามันมีสี่ครับของสีสปภาฐาสี่ใช่ไหมครับอาจารย์ยกเวทนานุปัสนามน า, มมา ทีนี้อีกสามอย่างอาจารย์ไม่ได้พูดถึงทีนี้ผมจะนํามากล่าวตรงนี้ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีสี่ฐานใช่ไหมครับอาจารย์เใช่ทีนี้กายานุปัสนาสติปัฏฐานหนึ่งฐานใช่ไหมครับอาจารย์เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานสองฐานแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานสามฐานแล้วธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานสี่ฐานแล้วครับทีนี้ผมจะถามอาจารย์ว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ย มีกี่บพะมีมีหลายหลายบพะแต่ว่าเพื่อจะรู้เพื่อจะสามารถกำหนดรู้เพื่อจะสามารถทำกายานุปัสสนาที่ผู้ปฏิบัติต้องทางจำเป็นต้องทางก็ จตุธาตุ ว, วนะัฏฏฐาเพราะว่าเพื่อเจอสามารถทกายสามารถปฏิบัติกายานุปัสสนาเราก็ต้องรู้แจ้งเห็นแจกรู้ปรมาภิกายานุปัสสนาหมายถึงเราทำวิปัสสนาโดยไตรลักษณ์แกรู้ปรมาภิรูปปรมาภิคก็รูปปรมาภิปปาปปาคืออะไร เพื่อจะเข้าใจรูปประมะเพื่อจะรู้แจ้งเห็นแจ้งรูปประมตะเราก็ต้องเห็นรูปกลับก่อนเพื่อจะรู้จะเห็นรูปกลบับมีแต่ทางเดียวจะทำท่าสีครับยังไงยัไงไงก็อาจารย์ก็ยังไม่ไม่ไม่ทิ้งลัคนี้ว่าจะต้องเริ่มต้นที่จตุธาใช่ไหมครับอาจารย์อาตมาไม่ล่ามไม่ได้อาตมาไม่สามารถ กลออ่าวยังอาตมาเข้าใจครับอันนี้ตามตามหลกักนะครับผมครับ <Okay. S 2> เพราะ <Okay. S 2> ว่าเราต้องสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้รเราไม่ควรสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าทำเราไม่เป็นคนที่รักษาพระบรมาศาสนาราก็ต้องรักษาครับผมอาตมามีหน้าที่มีสองหน้าที่เพื่อจะสอนตาม คำพิจิงทรงตามะไตรลักษณ์ทรตาะไตรปิฎกคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเรียนผู้ปฏิบัติโปรดรักษาเลดทำตามคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าเวลาที่เผยแผพระธรรมเทศนาก็บอกตามคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าอย่าทําอย่างที่ ตัวเองอยากทงครับ <ai> ผมก็เตรียมครับทุกๆเตรียมเตรียมตลอดเลยพุทธิสามะเตรียนเตรียนตรียนตรียเือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเต하하ือนตืนตนตเตตือน เ ต, ต <S <s ือนเตียงเตือนเตียงโอ้ยอัดมาก็เตียนผู้ปฏิบัติสามารถสามารถปฏิบัติได้ดีเพราะว่าครับผู้ที่สามารถปฏิบัติได้ดีเขาก็ไปสอนในในในอนาคตก็เลยอัตมาก็เตียนทุกทุกปฏิบัติเลยเพราะอยงนั้นก็เขาจะจะไปทำสิ่งที่อยากเขาอยากทำเลย ครับครับแต่ว่าผมก็คือผมผมผมขออนุญาตขอขอโอกาสอาจารย์นะครับว่าคือเมื่อกี้ผมถามอาจารย์บอกว่าไอ้ถามอาจารย์แปลว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในหนึ่งในสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับใช่ใชแต่เมื่อกี้อาจารย์อ้างหลักฐานมาบอกว่าที่อาจารย์บอกว่าจตุธาตุเนี่ยอยู่ในเวทนาเป็นใช่ดีบางที พัากะดาธิบาบจิตจอดตอนเนื่องกับเวทนาลุปัสสนาจะว่าเกี่ยวข้องกับกันขั้นตอนที่ขั้นตอนของวิปัสสนาเป็นทักษีอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ผมอยากทราบว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีกี่ปัพภะและอะไรบ้างเพื่อจะเข้าใจนี้จะทำอย่างไรเราสามารถดูกายานุปัสสนาถ้าเราปฏิบัติอนาบานาสติเราสามารถใช้ อนาบานสติเป an ็นกายารูปปัฏฐานได้แล้วก็อาการสสองก็สามาชได้เป็นกายาปปัาได้แล้วก็อสุบบาวนานวัติกะใช้ได้เป็นกายาปัอารมณ์ของกายาปปัาได้หลายายอย่างแต่ว่า ในที่สุดเวลาที่เราเจริงอานาบานสติเวลานั้นเวลานั้นเราเวลานั้นพูดปฏิบัติกำหนดรูอปฏิบัตการนิมิตแต่ถ้าเขาอยากจะทำกายานุปัสสนาเขาก็ต้องเอาใจสายทัดสี ที่เล่มเข้าเล่มออกและั่วร่างกายก็ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นรู ก, กลาบที่เกิดดาบอย่างรวดเดียวเวลานั้นต้องกำหนดรายหลักอนิจจทุกัาตะธารนองเดียวกันถ้าสามารถรู้เห็นอาการส2สสองอย่างพัน ญ, ญัด เวลานั้นไม่สามารถทำกายานุปัสสนาได้ถ้าอยากทำต้องกําหนดรู้ท่าศีแล้วก็เห็นรูปกลบับแล้วก็ต้องต้องกําหนดรูอรูปธรมรมะแล้วก็ต้องทำวิปัสสนาโดยใจหลักทำน้องเดียวกันถ้าสามารถบังรูอสสุบา กรรมฐานจึงปฐมฌานอารมณ์ก็เป็นอสุอารมณ์แบเป็น dead body dead body สศรษฐะเศรษฐะแต่เอ so. so. so, ็นนี้เป็นพัญญาดพัญญัดแค่นี้เองถ้าอยากทำกายานุปัสนาองกำหนดรูทัดสีก็กลายเปลี่ยนไปเป็นรูปกลับ แล้วก็ต้องกําหนดรู้รู้ประมาทแล้วก็ต้องทําวิปัสสนาโดยใจหลักอย่างกายานุปสัสสนาอย่างนี้เลยถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถกําหนดรู้ทัศนสีได้เราก็ไม่สามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้เลยเหมือนกันทางบดตปดบัตทังปาฏิบัตไหนก็เหมือนกันถ้าเข้าใจอย่างนี้ สามารถเข้าใจมาสติปัฏฐานาสูตะอย่างแท้ยังถูกต้องเลยถ้าไม่ไม่เข้าใจก็จะบอกว่าทางนี้ก็ได้ทางนั้นก็ได้ไม่ใช่ทั้งเดียวเวลาที่ต้องเวลาที่อยากทางกายอนุปัสสนาเราก็ต้องกำหนดรู้ทัดสีเพื่อทำให้เรียนเป็นรูปกลับถ้าไม่เห็นก็ไม่สามารถ เอาใจไหมครับเออวันนี้พอแล้ว We w i l เ share m e r i ต s done today. Repeat me. ขอให้ว่าตามท่านเพื่อแผ่เมตตาค่ะแผ่สนกุศลค่ะยิ่งทม่ปวนยั อาสาวกยันวันโอตุอิดามีปุญญาน a พานัสสัตยโยตุมะมะปุญญาบังกันสัปปสัตตาณัตตาจิมิ ที่สบิที่สบิที่สัมม์ที่สัมม์ปุญญากปุญญากรุสาุส ออกไ เร่ยนเช้าเลย ขอาจารย์ที่อ่านไว้ตีรวจกมก่อนะของาจรไัม่ใช่ของร์ที่อ่าน่ด้ไเยอะนะมนยาว